จเจิญพทุกท่านทุกวันนี้คนที่ฟังซีดีหรือดู YouTube ดูอะไรพวกนี้ภาวนาเป็นเนียนับจำนวนไม่ท้วนเลยคำว่าภาวนาเป็นของหลวงพ่อไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็หลับในเงียบหรือเห็นโน่นเห็นนี่นะอันนั้นถือว่าภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นต้องเห็นกิเลส เห็ น, นกลไกการทำงานของจิตใจของตัวเองถ้าเห็นแล้วมันจะได้อะไรเห็นแล้วมันจะรู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงความไม่ทุกข์จะเกิดได้ยังไงถ้าเราไม่เห็นของจริงไม่เห็นสภาวะที่แท้จริงในกายในใจเราโดยเฉพาะกิเลสนะเกิดทั้งวันที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะกิเลสที่เกิดกุศลก็เกิด สภาวะทั้งหลายนะทั้งกุศลทั้งอกุศลถ้าเกิดขึ้นมาในจิตใจนะต้องรู้ให้เป็นถ้ารู้เป็นแล้วสภาวะทั้งหลายทั้งดีและชั่วนะจะสอนธรรมะเราธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่มีใครทำให้ใครบรรลุได้หรอกทุกคนได้แค่มาฟังธทมให้รู้วิธีปฏิบัติขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเองเลยว่า ท่านเป็นแค่ผู้บอกทางพวกเราพอรู้ทางที่ท่านบอกแล้วก็มีหน้าที่ต้องเดินด้วยตัวเองและวันหนึ่งเห็นด้วยตัวเองงั้นทางที่ท่านบอกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ชาวพุทธส่วนใหญ่เขาเข้าใจกันส่วนมากจะเข้าใจแค่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิให้มีความสงบการทำทานการรักษาศีลการทาสมาธิให้จิตใจสงบเป็นเรื่องดี แต่ว่าไม่ได้ทำให้พ้นทุกได้จริงว่จะเป็นคนดนะีมีผลในทางที่ดีงามเกิดขึ้นแต่เ็ยังเวียนไว้ไตเกิดไม่เลิกหรอกต่อวันใดที่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงอริยสัตว์นั้นอาศัยปัญญานี่ไปทาความเข้าใจแต่ว่าวิธีทำให้เข้าใจอริยสัตว์นมันไม่เหมือนวิธีเรียนหนังสือ การเรียนหนังสือเราก็อาศัยการอ่านอาศัยการฟังนะอาศัยการคิดก็สรุปได้ว่ามีความรู้เอาไปสอบผ่านได้ก็ใช้ได้แต่การปฏิบัติธรรมจะให้รู้ให้เห็นแจ้งในอริยสัจนะอ่านเอาไม่ได้ฟังเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้ต้องเห็นเอาคาว่าเห็นภาษาไทยใช้เห็นนะสาย บ, บาลีใช้คาว่าปัสนะ ปัตสนะคือการเห็นวิปัสสนะวิปัสนาที่เราได้ยินวิปัสนาเพราะเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นรูปนามกายใจนี้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะั้นถ้าใครภาวนานะยังไม่สามารถเห็นรูปนามของตัวเองได้เลยใช้ไม่ได้ถ้าเห็นรูปนามแล้วยังเห็นความจริงของรูปนามไม่ได้ก็ได้นิดหน่อย ยังไม่ขึ้นวิปัสสนางั้นเราเนี่ยถ้าหลวงพ่อบอกว่าภาวนาเป็นภาวนาเป็นนะต้องต้องเริ่มทํำวิปัสสนาได้นะอย่างต่ําที่สุดเนี่ยจิตต้องถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็จะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทำงานถ้าจิตยังไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูยังไม่เรียกว่าภาวนาใช้ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ย ในคำสอนของศาสนาอื่นก็มีอย่างเรื่องทำทานเรื่องรักษาศีลที่ไหนก็มีเรื่องทำสมาธิศาสนาไหนก็มีศาสนาอื่นก็มีเรื่องสมาธิอย่างพวกคริสต์นะวันอาทิตย์ไปร้องเพลงในโบสถ์สารเสริญพระเจ้าอะไรเนะียจิตใจสบายจิตใจมีความสุขนี่ก็คือหลักของสมาธินะมุสลิมละหมาดวันนึงครั้ง คิดถึงพระเจ้าทั้งห้าครั้งวันหนึ่งโอกาสที่จะไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมีไม่มากละ ว, วันวันหนึ่งจิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจิตใจพอจดจ่ออยู่ในสิ่งเดียวนะที่ดีงามจิตใจสงบได้สมาธินี่จะเป็นชาวพุทธแท้ๆเนี่ยจะมาหยุดตัวเองอยู่แค่ทำทานถือศีล น, นั่งสมาธินะไม่พอจะเป็นชาวพุทธต้องรู้วิธีที่จะเห็นความจริงหรือวิธีจเจริญปัญญา จุดใหญ่ที่พวกเราต้องเรียนให้ได้นะคือต้องเห็นความจริงของรูปนามกายใจให้ได้ถ้าเห็นไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้คนที่เห็นได้นี่มีเยอะพอไปที่ไหนที่ไหนก็เจอคนที่พอนามเป็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่นั่งรถไปเห็นหน้าก็รู้นะคนที่รู้เนื้อรู้ตัวหน้าตามันก็ไม่เหมือนคนปกติ คนที่ก้าวไปสู่การแยกธาตุแยกขันได้แยกรูปแยกนามได้หน้าตาก็ไม่เหมือนคนทั่วไปคนที่มีปัญญาเห็นความเกิดดับของรูปนามก็ไปอีกแบบหนึง่งอยู่ที่พวกเรานะตั้งใจฟังนิดหนึง่งถ้ายากก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจถ้ารู้สึกยากไปมีซีดีให้ฟังฟังหลายๆทีก็รู้เรื่องขึ้นมาตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆ ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็เตือนบอกว่ายากไปประโมทสอนยากไปฆราวาสนะสอนให้มันทําทานให้มันถือศีลก็พอแล้วละแค่นั้นก็วิเศษแล้วท่านว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็บอกครับครับครับแต่ไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนา ม, มาตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์ชมซีกนะพระยังถามเลยพวกพระลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ว่าโยมทําได้ยังไง ใช้เวลาปีสองปีนะพระทำ10ปีปี่สปีบอกผมทำตั้งแต่ตื่นทำทั้งวันนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแนะเป็นกลางเรื่อยไปนี่พอสอนมาหลายๆปีนะคนที่พอนาเป็นขึ้นมาเนี่ยเย่แย่ไปหมดเลยตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยไม่ไม่บ่นแล้วนะว่าสอนยากไปที่จริงครวัตไม่ได้โง่หรอก แต่ครวาดพอนาไม่เป็นสักทีนะสส่วนส่วนหนึ่งคือไม่เคยได้ยินธรรมะที่แท้จริงเลยอีกส่วนหนึ่งคือไม่สนใจที่จะปฏิบัติพวกเราที่มาฟังเนี่ยสมมติฐานตั้งไว้ก่อนว่าคงมีความสนใจบ้างไม่งั้นคงไม่เสียเวลามาฟังนะงั้นให้รู้วิธีให้ได้ถ้ารู้วิธีแล้วไปลงมือทํานะในเวลาไม่นานบางคนใช้เวลาเดือนหนึ่งสองเดือน3เดือนเนี่ยชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปหมดละนะเคย ทุกนานก็ทุกสั้นเคยทุกหนักหนักก็ทุกน้อยน้อยเปลี่ยนความทุกข์เริ่กระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาได้เคยคิดว่าร่างกายนียเป็นตัวเราที่แท้จริงก็เริ่มเห็นว่ไม่ใช่เราหรอกเริ่มเห็นว่าจิตใจนี้ทำงานได้เองใช้เวลาไม่นานในการที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ทำไงเราจะสามารถเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเรื่องนี้คือเรื่องที่จะต้องเรียน ปกติร่างกายของเรามีอยู่แล well. <ins> ้วปกติจิตใจของเรามีอยู่แล้วปกติร่างกายแสดงความจริงอยู่แล้วแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นอยู่แล้วปกติจิตใจก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นทั้งๆที่ความจริงหรือธรรมะนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในกายนี้ในใจนี้ จุดที่ทำให้เราไม่สามารถเห็นธรรมะที่แสดงตัวอยู่ในกายในใจได้นะมันมีสองอานเองอันแรกคือเราลืมกายลืมใจของตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรามีจิตใจเราก็ลืมมันเพราะใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นใจเราหนีไปไหนได้บ้างใจเราหนีไปดูเวลาที่เราสนใจไปดูอะไรสักอย่างรู้สึกไหมเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมเวลาที่เราไปฟัง เราตั้ง อ, อกตั้งใจฟังเรารู้เรื่องที่ฟังแต่ในขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจในขณะที่เราได้กลิ่นเราสนใจกลิ่นในขณะนั้นมัวแต่ดมกลิ่นนะร่างกายเป็นยังไงก็ลืมจิตใจเป็นยังไงก็ลืมหรือในขณะที่เรากินอาหารเราเลืดอเพลินอยู่กับรสมีรส อ, อร่อยอร่อยในนี้หรือรสแม่อร่อยก็ตามใจเราจดจ่ออยู่กับรส ในขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจในขณะที่มีสิ่งมาสัมผัสร่างกายเราอย่างยุงมากัดยุงกัดเราสนใจอะไรสนใจยุงสนใจยุงต้องตีให้ตายในขณะนั้นร่างกายเรากําลังเงื้อมือจะตบยุงนะยังไม่รู้เลยบางคนตบไปแล้วระหว่างที่มือเคลื่อนไปนะีสติเกิดสติก็บอกอย่าไปตบยุง แต่มันหยุดไม่ได้เคยเป็นไหมเคยเบรกเบรกไม่อยู่มันตบต่อไปทําไมอ่ะทำไมมันเบรกไม่ได้เพราะร่างกายนะรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนมันรับออเดอร์ไปแล้วจิตดวงใหม่นี้สั่งมันยังไม่รับคําสั่งมันเบรกไม่อยู่เวลามีของมากระทบกายนะบางทีก็ลืมกายมีกายก็ลืมกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจยุ่งกัดเจ็บ โกรธยุ่งโกรธยุ ง, นะโโยงไม่เห็นว่าโกรธนะคนขับรถปาดหน้าเราเรามองเห็นคนขับรถปาดหน้าเราสนใจอะไรสนใจคนที่ปาดใช่ไหมเราก็ดูไอ้คนที่ปาดเราดูไว้มันหนีไปโนดแล้วเดี๋ยวจะไปปาดคืนมันนะใครเคยปาดคืนบ้างมีไหมใครเคยกดแตรดา่ามีไหมโ้ยคนอะไรที่นี่ดีเหลือเกินดีเกินจริง เห็นไหมเวลาเข้ามาปาดหน้าเราเรามองเห็นนะมันปาดหน้าไปปุ๊บเราสนใจเขาเราลืมตัวเองไม่สนใจตัวเองเวลาได้ยินเสียงก็สนใจเรื่องราวที่ฟังสนใจเสียงที่ฟังลืมตัวเองไม่สนใจตัวเองเวลาได้กลิ่นก็สนใจกลิ่นไม่สนใจตัวเองเวลากระทบรถสนใจรถไม่สนใจตัวเอง ระว่างกินข้าวนะรสชาติอร่อยเนี่ยรู้จักรสหรือรู้จักลิ้นสนใจรสหรือสนใจลิ้นสนใจรสไม่ค่สนใจลิ้นเราทิ้งร่างกายเลยมองเห็นสนใจสิ่งที่เห็นไม่สนใจตาได้ยินเสียงสนใจสิ่งที่ได้ยินไม่สนใจหูเราควรจะสนใจอย่างนี้ตลอดเวลาใจมันคิดสนใจเรื่องราวที่คิดไม่สนใจใจของตัวเอง ใจของเราขนาดนั้นสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วไม่สนใจเนี่ยคนในโลกนะมันลืมตัวเองตลอดเวลามันมัวสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดัพะผดทพะ ค, คือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรนี้มากระทบร่างกายนะสนใจธรรมารมคือเรื่องราวที่ใจไปรู้ไม่สนใจตัวเองไม่สนใจจิตใจ เมื่อมันสนใจของอื่นหลวงปู่ดุลเรียกตัวนี้หลวงปู่ดุลเรียกว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกก็คือมัวสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทภาพในธรรมารมผดท่าคือสิ่งที่สัมผัสกายธรรมารมณ์ก็คือเรื่องราวทางใจสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเราสนใจสิ่งเหล่านั้นเราไม่สนใจตาไม่สนใจหูไม่สนใจจมูกไม่สนใจลิ้น ไม่สนใจร่างกายไม่สนใจจิตใจของตนเองเมื่อเราไม่สนใจมันมันมีอยู่มันก็เหมือนหายไปนะเวลารูปปรากฏเราสนใจรูปเราก็ไม่สนใจร่างกายนะไม่สนใจตามีตาก็เหมือนไม่มีนะเราลืมมันไปเมื่อเราจะลืมร่างกายลืมจิตใจของตนเองเสมอเพราะเราสนใจนะในสิ่งภายนอกที่จิตไปรู้เข้าหน้าที่ของเรานะต่อไปนี้ อย่าลืมตัวเองรู้สึกบ่อยๆนีมน่มันเวลาจะฝึกให้ไม่ลืมตัวเองนะช่องทางที่ลืมตัวเองมีตั้งหกช่องหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทั้งหกช่องมเยอะไปดูยากฝึกยากถ้าจะฝึกให้ง่ายเนี่ยเล่นนช่องที่เกิดบ่อยช่องไหนหลงบ่อยที่สุดช่องใจใจคิดทั้งวัน คิดตั้งแต่ตื่นนอนรู้สึกไหมพอตื่นนอนก็เริ่มคิดหลับอยู่คิดไหมหลับอยู่ยังคิดนะแต่เรียกว่าฝันจิตคิดกับจิตฝันมันจิตแบบเดียวกันจิตมันปรุงแบบเดียวกันงั้นจิตเนี่ยมันหลงตลอดเวลามันทํางานตลอดเวลาเราเวลาจะหัดทํากรรมฐานเนี่ยเรามันเล่นจิตคิดเลยเพราะเป็นของที่เกิดบ่อยที่สุดและเบื้องต้นเราต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ เราจะได้เห็นจิตคิดได้ไวใครถนัดพุทโธก็หัดพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตถ้าจิตไหลไปคิดให้รู้ทันใครถนัดดูกายอย่างดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไปแต่ไม่ใช่ดูท้องเพื่อจะเห็นท้องดูท้องแล้วคอยรู้ทันจิตดูท้องไปจิตไหลไปคิดรูด้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหรือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก พอเราหายใจไปสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันนฝึกอย่างนี้ให้มากไปเดินจงกลมเดินไปเดินมาจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไหลไปอยู่ในร่างกายให้รู้ทันจิตเนี่ยจะวิ่งไปวิ่งมาได้ตลอดเวลาหลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่คิดนะคนไหนดูเป็นแล้วก็แล้วไปคนไหนยังไม่เป็นก็ลองสังเกตดูหลวงพ่อจะหยุดพูดนิดนึง่ง ระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเอาทดลองดูคิดไหมเห็นไหมมันคิดได้เองเราว่าอย่าคิดอย่าคิดนะมันคิดได้เองบางคนบอกไม่ได้คิดเพราะอะไรท่องพุทโธพุทโธพุทโธก็คิดแหละก็คิดพุทโธบางคนก็ฟองหนอยุบหนอก็คิดฟองหนอยุบหนอยอีกก็ยังอดคิดไม่ได้เนี่ยจิตนัมันจะหนีคิดทั้งวัน เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราจะรู้ค่อยรู้ว่าจิตหนีไปคิดถ้าฝึก อ, อย่างนี้ต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้ใจไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ทันใจไหลวิคิดปุ๊บเรารู้ทันต่อไปพอไหลแล้วก็รู้สึกไหลแล้วก็รู้สึกไหลรู้สึกความรู้สึกตัวนี้มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจนมันเหมือนกับความรู้สึกตัวเนี้อยู่กับเราทั้งวันเลยตัวนี้ต้องค่อยฝึกนะจิตที่ไหลไปนะมันไหลไปได้2แบบ อันนึงนะมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดอันหนึงมันไหลไปจ้องอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางเรารู้ลมหายใจเนี่ยที่จิตก็ไหลไปคิดที่จิตก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจเอาลองลองลอ ง, ลองรู้ลมหายใจนะให้จิตจับอยู่ที่ลมหายใจเลยทดลองดูเอาพอทำไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่คิดอุตรลุดเลยนะเอาหม่หายใจลืมตาขึ้นมาใหม่ ยิ้มหวานๆทีจะได้ลืมเรื่องเก่าๆไปนะรู้สึกตัวมีชีวิตที่สดใหม่ขึ้นมาเกิดใหมนะ่ชาติกี้ตายไปแล้วเกิดใหม่รู้สึกตัวใหม่นะจาส ภ, ภาวะเมื่อกี้ได้ไหมตรงที่เราไปจ้องลมหายใจนะบางคนจ้องลมหายใจไปรู้ลมแล้วใจมันหนีไปคิดได้นะกลับบ้านไปนะไปฝึก ทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีขอ15นาทีเท่านั้นแหะนะสิานาทีนี้เราจะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้านะสินาทีนี้เอามาไหว้พระสวดมนต์สักสอนาทีนะแล้วที่เหลือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วให้คอยรู้ทันจิตไว้หายใจออกหายใจเข้าก็ได้แล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รูนะ้รู้เท่านี้แหละ หรือดูท้องพองยุบก็ได้นะสักสิบกว่านาทีนิดหน่อยเนี้ยดูท้องพองยุบไปจิตนี้ไปคิดแล้วก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้ไม่หัดรู้ตัวนี้บ่อยๆนะต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปเราจะรู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นสมาธิที่แท้จริงนะั้นเป็นสภาวะาีิของชาวพุทธนะที่คนอื่นไม่มี คือภาวะแห่งความตื่นคำว่าพุท ธ, ธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธินี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอย่างเรารู้ลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวรู้อะไรรู้ลมหายใจอย่างนี้เป็นสมาธิที่มีมาก่อนพรพุทธเจ้าจิตสงบสมาธิอีชนิดหนึ่ง เรารู้ลมหายใจอยู่จิตนี้ไปคิดเรารู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตไปคิดเนี่ยภาวะแห่งความตื่นนะั้นจะเกิดขึ้นชั่วขณะตัวเนี้ตัวสําคัญเป็นสมาธิอีชนิดหนึ่งจิตไม่จะถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติทําไมมันเป็นตัวรู้ขึ้นมาได้โดยที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดแล้วตัวรู้เกิดได้เองที่ตัวรู้เกิดได้เองนะเพราะเราอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหล จิตที่ไหลคือจิตที่มีโมหนะชนิดฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเรารู้ทันจิตที่มีโมหะรู้ทันว่าฟุ้งซ่านนะเห็นทันว่าจิตฟุ้งซ่านเนะี่ยความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องดับมันนะมันจะดับทันทีเลยนะถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านเมราะนั้นจิตจะสงบตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องบังคับให้สงบ นะไม่ต้องบังคับให้ตั้งมัน่นแค่รู้ทันว่าจิตไหลไปจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะไปลองทำนะวันหนึ่งหลวงพ่อขอสัก10ขกว่านาทีเท่านั้นนะไม่ขอเยอะหรอกเพาขอเยอะเราไม่ให้นะแต่เบื้องต้นหัดสักสนาที15นาทีไหว้พระนิดหน่อยนะทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ ถ้าทําอย่างนี้ได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ผิดมีสองอานหนึ่งจิตที่หลงไปคิดกับจิตที่ไหลไปเพ่งรั้นแต่เป็นจิตที่เคลื่อนไปทั้งสิ้นหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกจิตส่งออกนอกคือจิตที่มันเคลื่อนไปส่วนจิตที่เป็นผู้รู้จิตที่ไม่เคลื่อนนะยังมีสองแบบแบบที่ถูกกับแบบที่ผิดแบบที่ถูกเนี่ยเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้ทันจิตที่เคลื่อนความฟุ้งซ่านดับ จิตก็ตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นอีกแบบหนึ่งจงใจจะให้ตั้งพยายามจะไม่ให้มันคิดพยายามจะรู้สึกตลอดเวลาอย่างนี้ใจจะเครืงเครียดนะเหมือนกับรู้ตัวแต่ใจเครื่องเครียดผู้รู้แบบนี้ไม่เอาจิตที่มันเครื่องเครียดเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลมันต้องไม่เครื่องเครียดนันสบายโปร่งร่งเบารู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายถ้าภาวนาเมื่อไหร่จิตเครื่อเครียดให้เลิกซะ แสดงว่าทำผิดแล้วล่ะจิตเป็นอกุศลใครเคยภาวนาแล้วเครียดบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยภาวนาแล้วเครียดเครียดบังคับตัวเองมากนะกระทั่งพระนะทําไมเป็นอย่างนั้นภาวนาผิดภาวนาแล้วเครียดงั้นเราต้องไม่เครียดนะภาวนาทำใจให้สบายคอยรู้ทันไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธพุโทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้ทัน ไม่ชอบพุโทโธก็หายใจไปหายใจไปจิตไหลไปรู้ ร, รู้ทันหายใจอยู่นะก็ไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งลมหายใจบ้างจำที่เพ่งลมหายใจได้ไหมเมื่อกี้พาให้ให้ดูลมหายใจลองดูสิลองมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจสิจ้องอยู่ที่ลมหายใจลองดูตีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้ทำไม่ได้เมื่อกี้ฟุ้งแหลกเลย ตอนนี้ให้จ้องลมเนยเริ่มจ้องได้จำความรู้สึกตรงนี้ไปนะมันซึมรู้สึกไหมมันจะซึมซึมงพ่อทำหน้าให้ดูพอให้รู้ลมหายใจทีแรกก็กระดีก็ไดาอย่างนี้นะยิ้มไปยิ้มมาพอให้ดูลมหายใจก็ชักขลึมเนี่ยอย่างนี้เราบอกว่าสมาธิดีแล้เพี้ย น, นสินะปรับใหม่เอาใหม่นะต่อไปนี้เห็นร่างกายหายใจลองดูซิ อย่าไปดูที่ลมนะเห็นตัวนี้มันหายใจเห็นไปด้วยใจที่สบายๆเห็นด้วยใจอย่างที่เป็นธรรมดาอย่างตอนนี้เห็นร่างกายหายใจด้วยใจสบายๆลองดูสังเกตไหมว่าไม่เหมือนอย่างตะกี้ดูออกไหมว่ามันต่างกันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พี่จ้องใส่ลมนะท่านบอกว่าพิสูจนทั้งหลาย ให้เธอคูบันลังคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะพระไม่มีเก้าอี้นั่งสมัยนัย้นคนอินเดียนั่งกับพื้นถ้าท่านตรัสรู้เมืองจีนท่านก็ค ง, งให้นั่งเก้าอี้หรือเมืองฝรั่งบอกครูบันลังตั้งกายตรงดําโลสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครที่หายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาว งั้นเรารู้ร่างกายที่หายใจออกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้งั้นร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ค่อยฝึกนะค่อยๆฝึกไปต่อไปตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่ลองพยักหน้าสิพยักหน้าแล้วรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยแค่รู้สึกอย่างนี้นะหัดรู้สึกลองยิ้มสิยิ้มหวาน ยิ้มแบบสดชื่นยิ้มหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมเห็นร่างกายยิ้มสังเกตไหมว่าตอนที่ยิ้มหวานนใจก็คลายออกด้วยรู้สึกไหมเนี่ยหัดรู้สึกตัวอย่างนี้นะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวลองยกมือซักข้างหนึ่งซิยกมือแล้วขยับขยับไปเห็นร่างกายขยับมือไหมไม่ต้องดูด้วยตานะรู้ด้วยใจ เราหลับตาเราก็ยังเห็นเห็นด้วยใจเรารู้สึกเอาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยหัดรู้สึกนะหัดรู้สึกสังเกตไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าตัวที่ดูออกไหมเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูน่าสองมือก็ได้สองมือเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวไปมานะ อย่าเคลื่อนเยอะนะเนีย่ยไปทิมคนข้างๆเขาเข้ า, ข า, ขาเดี๋ยวจะลุกขึ้นชกร่างกายเคลื่อนไหวแบบใหม่เนะี่ยเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะฝึกไปนะฝึกไว้มันดียังไงฝึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูโตที่เราเห็นมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้เนะี่ยใจเราไม่เผลอไปสังเกตไหมเราไม่ได้หลงไปคิดที่ไหนนะเรารู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจตัวเองมีร่างกายไหม ขณะที่รู้สึกอย่างนี้มีร่างกายไหมร่างกายก็มีใช่ไหมความสุขความทุกข์ก็มีใจที่เป็นคนดูก็มีไม่ได้ลืมกายไม่ได้ลืมใจนะงั้นไปหัดนะไปหัดฝึกให้ได้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวท่าไหนก็ได้หลวงพ่อเตียนถ้าชอบเคลื่อนไวหวเป็นจังหวะหนะลวงพ่อเป็นคนขี้โมโห โ, หโทสะจริตนะตะก่อนเนี่ยไปหัดแบบหลวงพ่อเตียนเคยเข้าไปหาท่านเคยไปดูเห็นท่านสอนเรามาทํานั่งงุนงิด อะไรว่ากระบวน่าเยอะหลือเกินนะลำคาญแทนที่จะสงบนะยิ่งลำคาญไม่เอาเอาแค่นี้เองนะแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันเอามันแค่นี้แหละเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดนะูตรงที่กายกับใจมันแยกออกจากกันเนี่ยป็นจุดตั้งต้ น, ตนของการทำวิปัสสนากรรมฐานนะก่อนที่จะทำวิปัสสนาได้เนี่ยต้องแยกรูปแยกนามได้ เห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนนึงใจที่เป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่งนะต้องซ้อมนะถึงจะเห็นเอายิ้มหวานอีกทีหนึง่งแล้วเห็นตัวเองยิ้มเอาทำหน้าบึง้งเห็น ต, ตัวเองกําลังหนง้าบึ้งกําลังโกรธเต็มที่ต้องทาหน้าเหมือนโกรธสินึกออกไหมหน้าตาตอนโกรธเป็นยังไงต้องทาหน้าเหมือนโกรธเต็มที่เลยแล้วรู้สึกไหมเห็นหน้าตาที่โกรธไหม อย่าทำบ่อยนะเดี๋ยวคนอื่นเขากลัวทำหน้ายิ้มแย้มนะไว้เคลื่อนไห ว, หหวนะนะเคลื่อนไหวหันซ้ายหันขวารู้สึกนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหว ใ, หใครเป็นคนรู้มันใจมันเป็นคนรู้นะไปฝึกนะทุกวันทำให้ได้สักสิบกวนาทีก็พอแล้วไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวจะเครียดเกิน เบื้องต้นทําให้ได้สักสินาทีไหว้ผ้าส่วนมนต์นิดหน่อยนะแล้วทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานจะใช้อะไรก็ได้ใช้หายใจก็ได้หายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะจะเดินจงกรมก็ได้เห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูนะหรือจะนั่งขยับเอาก็ได้เห็นร่างกายขยับใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเมื่อกายกับใจมันแยกออกจากกันได้ใจมันจะกลสภาพมาเป็นคนดูนะพอมันเป็นคนดูแล้วมันจะเริ่มเห็นความจริงได้ ร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราลองยิ้มหวานซิยิมอีกทีเห็นไหมร่างกายยิ้มเห็นไหมร่างกายเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราหรอกใครรู้สึกว่าร่างกายเหมือนเปลือกเหมือนโพรงอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกไหมเหมือนเปลือกเหมือนครูหาท่านบอกเหมือนคูหาเหมือนถ้ำนะมีเปลือกแล้วใจมันอยู่ข้างใน ใจเป็นคนรู้มันอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเปลือกเหมือนเหมือนถุงอะไรสักใบผุดโบราณท่านเทียบว่าถุงหนังอย่างเวลามีพระอระหันต์นะบางทีผู้หญิงชอบท่านมาจีบท่านมาจีบท่านท่านก็บอกว่าน้องหญิงเราไม่สนใจเธอหรอกเราเห็นเธอนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมีรูรั่วใหญ่ๆห้ารูมีรูรั่วเล็กๆ นับไม่ถ้วนมีของโศโครกไหลออกมาเป็นนิดเห็นไหมร่างกายเราเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูต่างๆและสิ่งที่ไหลออกมาเนี่ยโศกโครกทั้งหมดเลยไม่มีอะไรไหลออกมาแล้วดีพิเศษสักอย่างเดียวเลยนะมันเป็นโคลกมันเป็นถ้ามันเป็นเปลือกที่จิตอาศัยอยู่นะเนี่ยค่อยๆหัดรู้ไปนะแล้วต่อไปมันจะถอนความเห็นผิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเปลือกเป็นวัตถุ พี่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเนี่คยค่อยๆหัดรู้หัดดูไปวันหนึ่งก็เห็นนะการที่จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเรื่องง่ายคนในาศาสนาอื่นก็เห็นได้พระพุทธเจ้ายัางบอกว่าดูรับพิสูจทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับอย่างพวกเราเนี่ยเป็นปุถุชนที่ได้สดับคือได้ฟังธรรมมาแล้วท่านบอกปุถุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เรา แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานี่พวกเราจะมาหัดนะหัดให้เห็นในร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราถ้าเมื่อไหร่วันใดที่จิตรู้แจ้งเห็นจริงว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราในกายนี้ในใจนี้ไม่มีเรานอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยวันนั้นแหละจะได้โสดาบันถ้าโสดาบันท่านเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีนะพวกเรารู้สึกไหมมีเราอยู่คนหนึ่ง รู้สึกถึงมีมีเราอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆกก็เราคนเก่ารู้สึกไหมตัวนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราเมื่อเช้ากับเราตอนนี้ในนี้มีอยู่คนหนึ่งเหมือนเดิมร่างกายนี้ตอนเด็กกับร่างกายนี้เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมเพราะฉะนั้นร่างกายนะดูง่ายนะว่าไม่ใช่เรามันเปลี่ยนให้เห็นดูง่ายแต่จิตใจเนี่ยมันรวดเร็วเปลี่ยนเร็วจนกระทั่งดูไม่ออกเลยว่าเปลี่ยนมันสืบเนื่องกันมาเรื่อย เราก็เลยรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งที่คงที่อยู่เป็นเราคงที่อยู่พระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นนะกระทั่งจิตเองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นขั้นขันขเ น, นี่ยสันตติคือความสืมนั่งขาดพอสันตติขาดปุ๊บจะเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีใครเคยเกิดทันยุคที่มีฟิล์มหนังมั้งไหมที่หนังเป็นม้วนๆฉายมีฟิล์มอะ่ะ ใครเคยเห็นฟิล์มหนังยกมือซิถ้าเด็กใหม่ๆต่อไปไม่เห็นละตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะในอีก 20- 30ปีข้างหน้าแต่รุ่นนี้ยังใช้ได้เรียกว่ารุ่นตึกดําบันนะหรือไม่ก็รุ่นกลางเก่ากลา ง, ลา ง, ลางใหม่ยังเคยเห็นฟิล์มหนังนะมันเลิกไปนานละสังเกตไม่ฟิล์มหนังแต่ละแต่ละรูปแต่ละรูปอะ่ะมันไม่ได้เคลื่อนไหวใช่ไหมเวลามันฉายหนัง น, ะ น, น้ําฉายไป1รูปแล้วมันก็เลื่อนฉายอีกรูปหนึ่งแล้วมันก็เลื่อน รูปที่มันเลื่อนต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วนะมันทําให้รู้สึกมีพระเอกอยู่คนเดียวนี้ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องมีนางเอกก็ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องกลายเพราะว่ามีตัวมีตนขึ้นมาทาั้งๆที่ความจริงมันเป็นแค่รูปแต่ละรูปเท่านั้นเองแล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวรูปแต่ละรูปมันอยู่นิ่งๆแต่อาศัยรูปที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะทำให้เราเกิดภาพลวงตาขึ้นมาว่ารูปนี้เคลื่อนไหวได้อาศัยสัญญาความจําว่ารูปเมื่อกี้อยู่ตรงนี้รูปตอนนี้อยู่ตรงนี้ ความรู้สึกของเราก็หลอกตัวเองว่ามันเคลื่อนไหวได้จิตนี้ก็เหมือนกันเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาจิตเดี๋ยววิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูที่จมูกที่ดลี้นที่กายที่ใจนะจิตวิ่งได้ที่จริงจิตไม่ได้วิ่งจิตก็เหมือนฟิล์มหนังแต่ละรูปเท่านั้นเองจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับลงที่ใจเกิดที่ตาก็ดับลงที่ตาเกิดที่หูแล้วก็ดับลงที่หูแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วพากเราไม่มีสติ ที่รวดเร็วพอที่จะเห็นความเกิดดับของจิตเราก็เลยเห็นว่าจิตเนี่ยเที่ยงจิตนี้คือตัวตนที่แท้จริงส่วนร่างกายเนะี่ยยังพอดูได้ว่ามันเปลี่ยนยิ่งไปดูรูปเก่าๆไปดูรูปเก่าๆเห็นไหมไม่เหมือนเดิมยิ่งไปดูรูปคนยุคเก่านะมันเห็นผีเลยรู้สึกไหมเขาก็สวยของเขายุคนั้นนะแต่เรามาดูแล้วจะภาพปีศาจเลยนะพวกเราเองที่ถ่ายรูปเอาไว้วันนี้นะคนรุ่นต่อไปเขามาเห็นเขาคงรู้นางปีศาจเหมือนกันแหะ คนมันดูเปลี่ยนไปนะรูปเนี่ยมันดูง่ายจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมันเปลี่ยนเร็วแล้วทำยังไงบางคนพยายามจะให้มันเปลี่ยนช้าจิตไม่เกิดช้าหรอกจิตยังไงก็เกิดเร็วไม่มีทางที่จะหน่วงให้ช้าได้นะบางคนจะทำอะไรก็ช้าไปหมดเลยจะดิกสม่วนคนหิวน้ำแล้วค่อยๆกะว่าจะคอยดูุ้ยมันเปลี่ยนไปตั้งพันครั้งแล้วนะยังไม่ได้กินน้าเลย แล้วนี่มันเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วก็รู้เอาฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงกายหน่วงใจให้ช้าลงฝึกความรู้สึกให้เร็วขึ้นหัดรู้บ่อยๆแล้วมันเร็วเองรู้จักโกรธไหมใครขี้โกรธในห้องนี้ใครเป็นคนขี้โกรธเรียกโทสะจริตหลวงพ่อจะดูไว้ยกไหนนะยกไหนจะทำสติสติใครขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยมีไหมลูกเขาเมียใครไม่เว้นเ <laughs> อาเลยรีบผลมือเลย กลัวภรรยาเห็นนะใครขี้หลงใจลอยทั้งวันมีไหมทำไมน้อยกว่าขี้โกรธคนโกรธดได้ต้องหลงก่อนนะถ้าไม่หลงไม่โกรธหลอกส่วนใหญ่ขี้โมโหนะไม่ไม่นับขี้หลงนะขี้หลงเนี่ยมันเป็นพื้นทุกคนต้องหลงส่วนใหญ่ระหว่างโกรธกับโลภโกรธมากกว่านะคนไหนขี้โกรธเราคอยสังเกตใจ กระทบตามองเห็นก็โกรธให้รู้ว่าใจมันโกรธพอรู้ทันว่าใจมันโกรธความโกรธมันจะหายไปเองไม่ต้องไปหาทางแก้นะถ้าหาทางแก้เนี่ยใจไม่เป็นกลางใจโกรธไอ้ความโกรธตัวแรกอยากให้มันหายไปให้รู้ซื่อๆเลยตาเรามองเห็นเห็นนางคนนี้มาใจมันโกรธขึ้นมาแล้วเกลียดนะให้รู้ทันว่าความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นแล้วดูอยู่อย่างนี้ความโกรธความเกลียดหายไปก็ไม่ต้องว่ามันไม่ต้องไปเที่ยวตามหามัน เดี๋ยวหูได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้ามาได้ยินเสียงคนนี้พูดโทรศาพท์ขึ้นอีกแล้วนะคนขี้โมโหกระทบอะไรก็โมโหไปหมดละนะอยู่คนเดียวนะเลือ น, น้ําลายมากไปก็โมโหอีกหายใจอืดอัดก็โมโหเคยไหมหายใจไม่ค่อยออกโมโหตัวเองเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่าโกรธเข้าขั้นนะโกรธช้ำนี้ชํานานมากอะไรก็โกรธไปหมดเลยโกรธไม่มีใครจะโกรธด้วยก็โกรธตัวเองนะพวกขี้โกรธนะหลวงพ่อถือว่าเป็นพวกมีบุญมาก ถ้าจิตคุ้นเคยกับความโกรธจะตกนรกแต่ว่าอันนั้นเป็นข้อเสียนะแต่จิตที่โกรธบ่อยๆเนี่ยจิตที่โกรธเป็นจิตที่ดูง่ายที่สุดจิตที่โลภดูยากกว่าจิตที่โกรธจิตที่หลงดูยากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นจิตขี้โกรธเนี่ยดูง่ายโมโหขึ้นมาให้รู้โมโหขึ้นมาให้รู้จะเห็นว่ามันโมโหได้เองมันโมโหได้เองนะเราไม่ได้สั่งเลยว่าให้โมโหบางทีตั้งใจจะไม่โกรธมันก็โกรธเคยมีไหม ตั้งใจว่าวันนี้จะไม่โกรธวันนี้จะถือศีลไม่โกรธใครควจริงศีลไม่มีเรื่องไม่โกรธนะเราก็นึกเอาเองวันนี้จะไม่โกรธใครนี่ถือศีลมั่วนะเสร็จแล้วก็โกรธเคยตั้งใจจะไม่รักไหมตั้งใจจะไม่รักก็รักนะตั้งใจจะไม่โลภก็โลภอย่างเดินจะไปอากาศร้อนนะมีเดินศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าจะไปเดินเอาแอ ตั้งใจจะไม่ซื้ออะไรอ่ะเหลอแป๊บเดียวเรหิวไม่ไหวละเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตั้งใจจะไม่โลภมันก็โลภเนี่ยหัดดูของจริงนะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแอบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำกรรมฐานจริงๆเนี่ยทำเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสทําเมื่อใจมันคิดนึกปุงแต่งนะเพาตามองเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนให้รู้ทันคนไหนขี้โกรธมันก็ตาเห็นก็โกรธนะ หูได้ยินเสียงก็โกรธเนี่ยก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นมาดับไปความโกรธเนี้ยสั่งไม่ได้ไม่ได้เชิญให้โกรธมันก็โกรธเองห้ามมันจะว่าอย่าโกรธมันก็โกรธนะไม่มีอะไรที่บังคับได้ตรงที่เห็นว่ามันมีแล้วก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตานะอนิจจังทุกขังอนัตตาคือได้ยินไหมอนิจจังเนี่ยนะของซึ่งมันมีอยู่แล้วมันก็ไม่มีเรียกว่าอนิจจัง คำว่าทุกขังคือของซึ่งกำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้ไม่มีเพื่อให้สลายตัวไปเรียกว่าทุกขังนะงั้นอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่เที่ยงความสุขซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปเรียนกะว่ามันทนทุกข์อยู่มันทุกเป็นทุกขังนะเป็นทุกขตาแล้วก็มันบังคับไม่ได้ มันเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งอย่างจิตไปกระทบอารมณ์ที่พอใจความสุขก็เกิดจิตไปกระทบอารมณ์ไม่พอใจความทุกข์ก็เกิดสั่งไม่ได้นะหรือจิตจะกระทบอารมณ์แล้วจะเกิดโลภจะเกิดโกรธจะเกิดหลงหรือจะเกิดสติสั่งไม่ได้แล้วถ้าเราสั่งได้เราก็สั่งให้เรามีสติทั้งวันซึ่งมันไม่มีนะส่วนมากมันจะมีกิเลสทั้งวันมากกว่างั้นต่อไปเราไปฝึกนะไปหัดดูของจริง ถ้าใจเราโกรธขึ้นมาให้รู้ทันตามองเห็นใจโกรธรู้หูได้ยินเสียงใจโกรธก็รู้ใจมันคิดอยู่คนเดียวคิดไปก็โกรธได้เคยไหมนั่งคิดอยู่ก็มโมโหขึ้นมานี่อยู่ๆดีๆหน้านางคนนี้โผล่ขึ้นมาโอ้ยนี่ต่อแหลนะใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยก็ให้รู้เอาไม่ใช่ให้ละนะไม่ใช่ให้ละนะให้รู้ให้รู้ให้เห็นเลยว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยล้นแต่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปให้ละอันเดียวให้ละความอยาก อยากอะไรอยากรู้อยากรู้ให้ชัดต้องละนะรู้เท่าที่รู้ได้รู้บ่อยๆแล้วมันก็รู้ชัดเองไปอยากมากยิ่งไม่รู้ใหญ่ยิ่งเครียดยิ่งไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็ละอะไรอยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ให้รู้มันตามที่มันเป็นไม่ใช่รู้ว่าอยากให้มันเป็นอย่างโน้นไม่เป็นอย่างนี้อยากให้มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ไอ้ตัวที่อยากเนี่ยตัดมันทิ้งไปก่อน ให้รู้สภาวะทั้งหลายตามที่สภาวะนั้นเป็นความโกรธเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดับไปแล้วก็เห็นเลยความโกรธนี้ไม่เที่ยงความโกรธนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าคนไหนขี้โลภก็ดูโลภความโลภไม่เที่ยงความโลภก็เป็นอนัตตาตั้งใจว่าจะซื่อสัตย์ต่อภรรยาไปเห็นสาวอื่นสวยกว่านี่ใจมันมีความรักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ใจมันห้ามไม่ได้ แต่ยาวอันนี้ไปเป็นเหตุผลบอกภรรยานะภรรยาไม่ได้เรียนอภิธรรมจะไม่ยอมเชื่อถ้าภรรยาเรียนอภิธรรมก็ยอมเชื่อได้แต่ว่าทำใจไม่ได้เหมือนกันอันตรายนะงั้นรักษาศีลไว้ปลอดภัยที่สุดฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันทีแรกทุกวันทำในรูปแบบสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะไม่ต้องสวดเยอะนักหรอก แล้วก็ทกํากรรมฐานอย่างหนึ่งคอยรู้ฐานจิตที่วิ่งไปวิ่งมาไหลไปไหลมานะพอรู้ทานนะจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะใจมันเป็นคนดูได้ก็เห็นนะร่างกายอยู่ส่วนนึงใจอยู่ส่วนหนึ่งนะหรือเราฝึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้นะฝึกยิม้มฝึกขยับฝึกอะไรเงี้ยนะฝึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะฝึกไปนะแล้วต่อไปเวลามาอยู่ในชีวิตธรรมดานะตามองเห็น หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นในกายในใจเขาคอยรู้เอานะเวลาความโกรธเกิดขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมเวลาโกรธร่างกายเปลี่ยนแปลงมเวลามีความคร้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมเห็นเนี่ยใจมันเปลี่ยนนะกายก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปด้ว ย, ยงั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจดูไปด้วยนะ เห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุธาตุเป็นเปลือกเป็นถ้ำที่จิตมาใส่ยอยู่ชั่วคราวแล้ววันหนึ่งจิตก็ต้องทิ้งมันไปทิ้งเปลือกนี้ไว้ให้คนอื่นต่อร่างกายของเราเนี่ยเราเก็บมาจากศพนาน า, นาชนิดเชื่อไหมร่างกายที่แสนสวยสวยงามที่จริงเอาศพต่างๆมาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานะเต็มไปหมดเลยถึงวันหนึ่งเนี่ยเราตายไปนะ ร่างกายเนี้ยถูกคนอื่นเอาไปกินต่ออาจจะจมดินอยู่ใช่ไหมไปขึ้นอยู่ตามต้นไม้คนไปกินต้นไม้อะไรอย่างงี้นะไปต่อธาตุหมุนไปเรื่อยยืมธาตุมาใช้นะไม่ได้ของวิเศษอะไรนักหนาหรอกอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมีแต่วความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเนี้ยนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เมื่อยตลอดเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวนอนนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะ แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวเขากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเดี๋ยหายใจเข้าหายใจออกนเนี้ยธาตุมันหมุนอยู่ถ้าธาตุไม่หมุนก็ตายเลยนะทางจิตใจก็เปลี่ยนตลอดตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รา่างกกระทบสัมผัสใจคิดนึความรู้สึกก็เปลี่ยนนะไม่ได้ฝึกให้มันไม่เปลี่ยนนะฝึกให้เห็นว่ามันเปลี่ยนได้เองมันไม่เที่ยงแล้วก็มันบังคับไม่ได้นะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าเห็นได้แล้ววันหนึ่งจะเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะวันใดเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงถ้าธรรมมีจริงพระอริยะสงฆ์มีจริงๆเราจะใจหายใจหายว่ารอดขึ้นมาได้ยังไงหันไปมองเพื่อนร่มโลกเต็มโลกนะน่าสงสารน่าสงสารเหมือนตัวอะไรตาบอดคลําอยู่ก้นเหวเมื่อไหรจะขึ้นมารับแสงสว่างได้น่าสงสารสัตว์โลกใจมันจะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะ จะไม่มีค่าย อ, อ่ะการเมืองค่ายไหนค่ายไหนไม่มีมันน่าสงสารไปหมดเลยเห็นอกเห็นใจแต่ละคนมีแต่ความทุกข์นะเราจะไม่เพิ่มทุกข์ให้คนอื่นคนทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยไปเพิ่มทุกข์ให้คนอื่นแล้วเราก็ไม่เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองคอยรู้คอยเรียนนะความทุกข์ก็จะลดลงลดลงต่อไปจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ใจจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะจนกระทัง่งวันที่ร่างกายจะแตกดับเนี่ย เวลาคนทั่วไปเวลาจะตายนะจิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนใหญ่แต่อย่างถ้าเป็นพระอริยะพระอรหันต์ท่านจะตายยิ่งพระอรหันต์เนี่ยเวลาท่านตายเนี่ยท่านจะร่าเริงมากเลยเพราะอะไรท่านเห็นว่าไอ้ตัวทุกข์กำลังจะตายตัวทุกข์จะตายเสียได้ยไหมท่านเห็นชัดเลยตัวนี้มันตัวทุกข์ขันนี้ตัวทุกข์ต้องแบกมันอยู่ตลอดต่อไปนี้จะได้หมดภาระกับขันนี้สักทีกับร่างกายนี้สักทีร่าเริงนะ ะราเริงไม่ได้รู้สึกว่าสูญเสียแต่รู้สึกว่าปลดทาระออกไปเนะี่ยใจที่ฝึกไว้ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้สึกว่ามันหมดภาระหลวงพ่อเคยรู้จักคุณป้าคนหนึ่งเป็นโรคศิษย์หลวงปุ่เทศนะคุณป้านี้ภาวนาตั้งแต่สาวๆาวจนกระทั่งแก่เลยนะแล้วก็ตอนตายเนี่ยก่อนจะตายยังไม่ทันจะตายหรอกเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเนี่ยต้องถูกตัดนิ้วตัดอะไรไปเรื่อยนะ ตัดนิ้วตัดทีละนิ้วนะตัดตัดตพอหมอตัดนิ้วได้ที่แล้วหมอก็เริ่มตัดเท้าต่อพอหมอตัดเท้าได้ที่หมอก็เริ่มตัดขานะแกก็ตัดของแกเรื่อยๆไปนะเวลาใครไปเยี่ยมนะคนเขาก็โทคุณป้าแหมหนูสงสารป้าไอ้พวกนี้ตายก่อนแกเรียบเลยนะแกหัวเราะนะโอ้สบายแล้วเนี่ยเบาไปตั้งเยอะเลยไม่ต้องมีขาวันนนใจกับเป็นอย่างนั้นนะ ใจนี้ร่าเริงใจที่เปิดบานนะผจญความเจ็บระจญความตายอย่างองค์อาต้กล้าหารร่าเริงเนี่ยจิตที่มันฝึกไว้ดีนะถ้าจิตไม่ฝึกไม่ดียตายแล้วเล็บไม่สวยแหมแค่เล็บไม่สวยก็กลุ้มใจแย่แล้วเนี่นี่เขาตัดแข้งตัดขานะเพราะยังร่าเริงเลยเพราะใจเขาฝึกไว้ดีเขาเห็นนะนี่มันตัวทุกตัวทุกมันถูกตัดออกไปนะเขาร่าเริงพวกเราก็สามารถที่จะได้ลิมรสธรรมะที่อัศจรรย์เหล่านี้ได้เหมือนกันนะ พวกเราไม่ได้โง่บ้าใบาบอดหนกมาแต่กำเนิดหรอกงั้นมีบุญวาสนามากได้ฟังธรรมมาแล้วก็ อ, อยู่ที่เอาไปทำเอานะสรุปรักษาศีลห้าไว้ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลกรรมาฐานจะเสื่อมข้อ2ทุกวันต้องทำในรูปแบบการทำในรูปแบบก็คือทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองแล้วต่อไปพอชนานาญขึ้นมันจะเห็นกายกับใจแยกออกจากกัน นะแล้วเห็นความรู้สึกกับใจก็แยกออกจากกันพอมันแยกได้แล้วคราวนี้เราพร้อมแล้วออกมาสู่ชีวิตจริงนะในชีวิตจริงเนี่ยให้ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รอใจายกระทบสัมผัสใจคิดนะแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นในกายรู้สึกความรู้สึกเกิดในใจรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วเราจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเห็นแล้วจะปล่อย แล้วจะวางจะไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเราจะไม่ทุกข์เพราะมันอีกอย่างพอไม่ยึดถือร่างกายนะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะกายมันแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายกายมันตายนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะใจมันจะเปลี่ยนนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ได้สบายเลยนะจะยากดีมีจนไงเราก็มีความสุขได้ความสุขเนียคนรวยไม่ใช่ว่าจะมีข้างเดียวนะ ความสุขทางวัตถุเนี่ยคนมีสตางค์มากเขาบริโภคได้เยอะแต่ความสุขในจิตใจของเราเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราลงทุนลงแรงภาวนาเอาเองเรามีความสุขได้จะบอกให้ว่าพวกเราที่ภาวนานะมีความสุขกว่าเป็นนายกอีกนะนายกเครียดนะไม่ได้มีความสุขเราแย่งเงินเป็นน่าสงสารนะอ่าพอสมควรไหนใครจะส่งกันบ้าน นี่บางคนสงสัยนะทำไมเทศแล้วต้องส่งกันบ้านเทศไม่เหมือนพระอื่นไม่เหมือนพระอื่นไม่เป็นไรแต่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมานี่ไม่ใช่บรรยายอย่างเดียวนะการถามตอบเนี่ยเป็นพุทธวิธีอย่างหนึ่งเลยธรรมะที่เกิดจากการถามตอบเนี่ยเต็มไปหมดเลยกรับนมันสการค่ะลูกฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีกับไปห้าเดือนนะคะแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบ ค่ะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองนะคะแต่ก็เออแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองกําลังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าอ้าวเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นบ้างอะค่ะแต่ม่ไไม่ค่อยเห็นอะไรนะเห็นบ้างนะคะเอถ้าเห็นกิเลสอยู่ก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าภาวนาแล้วบอกไม่มีกิเลสเลยอันนี้อาการหนักนะพสดงภาวนาไม่เป็นไม่เห็นสภาวะเห็นไหมเวลาร่างกายกระใจร่างกายกระใจต้องคนละนกันเห็นไหม เห็นบ้างนะคะ่ะมันไม่แน่ออใจมันไม่เห็นตลอดหรอกเห็นเป็นคลาล์ามันไม่ใช่ภูมิที่เห็นตลอดน ะ, ะลูกเคยมีประสบการณ์อย่างที่ออมีคนมาส่งกันบ้านหลวงพ่อคือมีดีเลย์ไทม์แล้วก็หลายครั้งแล้วก็ดีเลย์ไทม์นะคะแล้วก็ตอนหลับเนี่ยหลับใจตื่นแต่ว่ากายมันหลับแล้วบังคับไม่ได้ก็เคยก็คิดว่าก็นั่นแหละภาวนาไปนะสติมันดีขึ้นกระทั่งร่างกายหลับนะจิตยังตื่นขึ้นมาเลย เพราะร่างกายเนี่ยนอนนานจิตมันนอนสั้นคนทั่วๆไปพอจิตมันตื่นมันจะไปฝันของเรานักปฏิบัติพอจิตตื่นมันรู้ตัวขึ้นมาแต่ร่างกายยังหลับอยู่คือลูกควรจะทำให้ความถี่มากขึ้นแล้วก็ทำมั น, มมนพอไปเลยทำบ่อยๆแล้วมันมากเองค่ะอย่าจงใจให้มากนะจงใจให้มากมันไม่มากหรอก ค่หลวงพ่อคะยังไงเดี๋ยวขออีกข้อนึงนะคะพอดีวันนี้พาคุณแม่มาคุณแม่เป็นข้าราชกา ร, กรเกษียณนะคะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงหลานแล้วก็ทํางานบ้านนะคะอยากจะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยแนะนําวิธีการปฏิบัติง่ายๆนะคะไหนอยู่ไหนแม่ทางด้านซ้ายมือนะคะแถวที่3นะคะแม่ช่วยยกมือใส่แว่นะคะคืออยากให้แม่ทราบหลักการแล้วก็เป้าหมายนะคะคือวันนี้ง่ายๆนะถ้าใจเราหงุดหงิดให้ร่วง่หงุดหงิดนะ ใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆอย่างเราเล<ส>ี้ยงหมาเนี่ยบางทีหมามันทำตัวน่ารักเราก็ชอบชอบเราก็รู้บางทีมันดื้อนะเราก็โมโหมันก็รู้ว่าโมโหคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจะทำงานบ้านก็ได้นะกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆนะแต่คุณแม่นั้งจะดูความรู้สึกได้ง่ายกว่าดูความรู้สึก ใจมันสบายใจรู้ทันไม่สบายใจรู้ทันชอบไม่ชอบรู้ทันอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมีกันบ้านอะไรหนูไปทําเพิ่มเติมไหมคะไปทําอีกสิค่ะขันมันเริ่มแยกแล้วค่ะค่ะงั้นสุดท้ายนี้ขอถวายการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาอจารยยบูชา<ม>เลยหลวงพ่อคนะ่ะส<ช>าากบขอพระคุณค่ะปีั ว, ว่าก็เปลี่ยนได้เยอะขนาด น, นี้แล้วไม่งั้นชีวิตนะอยู่ไปจนแก่มันมีแต่แย่กว่าเก่า มันไม่มีทางหรอกจะแยกขันได้กับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูส่งการบ้านรอบที่แล้วเมื่อพฤษภาปีที่แล้วค่ะแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูความฟุง้งซ่านแต่ก็กลับไปแล้วก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างไม่สม่ําเสมอจนกระทั่งช่วงที่ผ่านมารู้สึกตัวเองโศกปศกค่ะรู้สึกความความความไม่ดีมันเยอะมากจนต้องหันมากลับมาปฏิบัติจริงจัง แล้วก็ช่วงที่แล้วใกล้ๆนี้ค่ะมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตเราก็รู้สึกว่า อ, อ, อาศัยความทุกข์เป็นเครื่องในการเครื่องมือในการปฏิบัติก็ดูมันไปดูมันไปตลอดเวลาก็เห็นว่าขณะที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะคิดตลอดเวลาทุกวินาทีพอคือสมองจะไม่หยุดเลยพอว่างปุ๊บเราก็จะไปจับความทุกข์มาคิดมาคิดตลอดแล้วก็ พอความทุกข์เรื่องนี้มันเบาบางลงเราก็จะไปจับความทุกข์ที่มันเป็นลำดับต่อมามาคิดต่อมีครั้งหนึ่งขับรถอยู่เคยเห็นความคิดมันเหมือน ค, อ ค, อคอ่อยๆเลื้อยออกมามแล้วก็แล้วเราก็คิดได้ว่าเออโลกนี้มีใครบ้างที่ไม่คิดไมีมใคร <c oughs> <c oughs> ก็เลยค่อยๆปล่อยวาง <c oughs> ว่าจิตมีหน้าที่คิดน ะ, ะพระอรหันต์ก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิด ค่ะตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออทุกคนมีความทุกข์ไม่มีใครที่ไม่มีทุกข์เลยเราก็เลยเริ่มปล่อยวางกับปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากมีความสุขเพราะว่าเวลาเรามีความสุขเราจะเห็นเราหลงไปกับมันแล้วเราจะมันก็ไม่จริงหรอกนะยังไงมันก็อยากได้ความสุขมันก็เกลียดความทุกข์เราไม่หลอกมันนะเนี่ยมีความทุกข์แต่ว่าเวลาเกิดความทุกข์เนี่ยมันจะขยันดู เพราะว่ามันหาทางออกเวลามีความสุขมันจะเพลินะใช่ค่ะเวลาสุขเนี่ยไม่ค่อยพาวนาเวลามีความทุกข์เนี่ยภาวนายากนะเพราะว่ามันไม่มีแรงถ้าทุกข์เยอะๆถ้าทุกข์นิดหน่อยเนี่ยภาวนาดีถ้าทุกข์หนักๆเนี่ยภาวนายากค่ะเั้นต้องต้องฝึกตั้งแต่ยังไม่ทุกข์มากค่ะเหมือนเราหัดว่ายน้ำอ่ะต้องว่ายตั้งแต่ยังเรือยังไม่ล่มนะถ้าเรือล่มแล้วมาถามหาตำราว่ายน้ําไม่ทันแล้วล่ะค่ะ แล้วก็ช่วงปีที่แล้วคือในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยหนูจะมีความป่วยไม่สบายเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสองครั้งครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วตอนที่ตั้งใจแบบเข้มข้นนิดนึงก็จะขับรถอยู่ก็จะเห็นเหมือนกับเราไปดูมันนะคะดูความปวดของร่างกายแล้วก็เวลาปวดมากๆทำอย่างนี้นะเราไม่ได้ไปดูเพื่อให้หายนะค่ะ เราให้เห็นว่าร่างกายก็อันนึงความปวดก็อันนึงใจก็อันหนึ่งความไม่ชอบความปวดที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วตัวสําคัญที่สุดที่เราต้องรู้คือใจที่มันไม่ชอบนะงั้นสภาวะเวลาปวดมากๆถ้าไปดูความปวดแล้วสมาธิไม่พอนะเดี๋ยวสติแตกแทนที่ไปจ้องอยู่ที่ปวดนะให้มารู้ทันที่ใจใจที่มันไม่เป็นกลางใจที่เกลียดความปวดนะให้ดูตรงนี้นะแล้วพอใจเป็นกลางเนี่ยเราจะอยู่กับความปวดได้อย่างสบาย แต่หนูไม่ได้มีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคือพอเราเห็นว่ามันสมมติเหมือนเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็รู้ไปว่าตรงนี้ปวดแล้วก็เอาความรู้สึกไปอยู่ที่ขาอ๋อขาไม่ปวดแต่ว่าตรงนี้ปวดแล้วพอแป๊บนึงกลับบ้านไปกินพาลาพอกินพาลา ขณะที่กินพาลาร์เราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันอยู่ไม่อยู่แต่พอผ่านไปประมาณนาทีสองนาทีเราก็เห็นว่าความปวดมันหายไปมันหายปวดหนูหนูพยายามดูไปเรื่อยนะถ้าจะดูความปวดอนะ่ะเห็นทุกดีกรีของมันนะเปลี่ยนแปลง น, นะส่วนในการที่เอาจิตไปไว้ที่เท้าอะไรนี่เป็นการหนีนะไม่ได้ทํำวิปัสสนาหรอกอ๋อค่ะนะแล้วก็ให้คนอื่นบ้างก็แล้วกันนะเดี๋ยวหนูเล่นคนเดียวถึงเที่ยง <laughs> น, นะกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ ก็คือเมื่อก่อนจริงๆเป็นคนที่ขี้โมโหมากนะคะอแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็ซึมแล้วก็เหมือนมันว่างๆไม่รู้จะไปไหนค่ะเราไม่ว่างเอานะอย่ไปยึดถือความว่างความว่างก็ไม่ต้องยึดหรอกใจมันเกิดสมาธิขึ้นมา จริงไม่ได้อยากว่างค่ะเออมันว่างของมันเองไม่เป็นไรนะค่ะพอใจมันว่างนะสังเกตดูร่างกายก็อยู่ส่วนนึงใจก็อยู่ส่วนหนึ่งตัวออกไหมไม่ออกค่ะเห็นความสุขความทุกข์ใจเป็นโคละอันไหมจริงๆแล้วใหม่มากเลยค่ะเห็นกิเลสเห็นโกรธไหมเข็นค่ะอไปหัดดูนะโกรธกระใจเนี่ยโคนลนกันค่ะใจเป็นคนรู้ว่าโกรธค่ะไปฝึกเรื่อยๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะหัดดูไปสิ่งนี้ถูกดูถ้ามันว่าง ก็เห็นว่าว่างนี้ก็ถูกดูอีกนอะเราไม่ไม่เอาว่างนะฝึกเรา <c oughs> ต้องการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใ จ, งใจบ่อยๆแต่ถ้าใจเราไปค้างว่างสบายอยู่เฉยๆนะเป็นสมถะไม่ดีใช่ไหมคะดีเหมือนกันแต่ดีแบบฤาษีอ๋อไม่ได้อยากได้แบบนั้นเออมันสบาย <c oughs> สบายสบายเนีย่ยใครเขาจะเป็นไงก็สบาย <c oughs> หนูพ่อทำเก่งนะเหมือนประมาณว่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวอ่ะใช่ใช่นะไม่เอานะค่ะไม่ได้อยากได้ค่ะ อ, อให้รู้ทันไปไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงว่างนี้ก็ไม่เที่ยงว่างนี้ก็ถูกรู้นะค่ะแล้วก็คอยมาดูในร่างกายเรื่อยๆร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดตรงนัน้นเดี๋ยวก็เมื่อยตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูอย่างนี้เรื่อยๆมันจะไม่ไปติดว่าง แล้วอย่างนี้ควรจะไปปฏิบัติที่เหมือนไปทำค่ายไหมคะไม่ควรอ๋อทําที่บ้านเออสื่อยู่ที่บ้านไปเข้าคอร์สยิ่งไปกันใหญ่เลยอ๋อยิ่งไปเพ่งเก่งบางพวกก็เพ่งท้องเพ่งเท้าเพ่งมือไปเจอพวกเพ่งว่างเขานิดไปเลยเขาถือว่าโอ้เก่งมากคนนี้เพ่งแล้วว่างตลอดจบหลักสูตรพระเจ้าไม่ได้สอนให้เพ่งว่างนะค่ะไปดูในสติปัฏฐานไม่มีว่าง่ะ มีแต่กายเวทนาจิตธรรมไม่มีสุญญาตานุกปัศสสนาสติปัฏฐานไม่มีติด<ม>ต่อไปนำ้ำมัสการคะ่ะหลวงพ่ อ, อเออโยมจะมาขอรายงานการปฏิบัติหนะ้าไม่ทราบว่ายัางอยู่ในร่องในรอยเปล่าเมื่อไปปีที่แล้วไปส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าเริ่มเดินวิปัศนาแล้วแล้วพอกลับมาตอนเช้าขึ้นมาก็ทาในรูปแบบก็นั่งอยู่ก็เห็นว่า มันมีเสียงดังเข้ามาจากข้างนอกอ่ะมันเข้ามาในหูแล้วมันก็วิ่นเป็นกระบอกตรงลงมาที่กลางหน้าอกแล้วมันค่อยมาให้ค่าว่ามันคือเสียงอะไรอถูกต้องไหมเจ้าคะอันนี้เดินปัญญาไหมเจ้าคะอันนี้เราเห็นเห็นกระบวนการทํางานของมันนะหูได้ยินเสียงทีแรกมีเสียงก่อนนะจิตยังยวไม่ไปรับรู้นะไม่รู้เสียงอะไรเลยแล้วเสร็จแล้วจิตนมันไปเกิดที่หูไปฟังตั้งใจฟังขึ้นมาตั้งใจฟังแล้วมันก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่ใจ ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วมันก็มาแปลความหมายพอแปลกความหมายได้แล้วคราวนี้ถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้ค่าขึ้นมาอันนี้คือไปเห็นขันไหนเจ้าคะเห็นขันมันทํางานค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คืออย่างที่หลวงพ่อเทศหลังๆเนี่ยเจ้าคะนอนหลับก็ได้ยินเสียงตัวเองกล่นก็เห็นได้เสียงมันออกมาจากมุมปากมีลมออกมามแรกๆ ก, ก็ไม่ทราบ ว, ว่าเป็นสภ า, าวะธรรมก็ตอนหลังมาได้ยินหลวงพ่อบอกว่าจิตมันตื่น แล้วก็หลังสวดนี่เ อ, อเวลานั่งทําในรูปแบบหลวงพ่อใจก็รู้สึกว่ามันเบามันโล่งนะเจ้าคะแต่มันรู้สึกว่ากายมันหนักแต่มันหนักมันเหมือนหนักตรงที่ว่ามันมีความชาขึ้นมาค่ะพอยิ่งชามากก็หนักมากอืเลยไม่ทราบว่าอันนี้นั่งผิดหรือเปล่าเจ้าคะไปติดไปเพ่งอะไรไหมเจ้าคะ <c oughs> เอร่างกายชาไม่ชาไม่สําคัญหรอกนะสําคัญว่าจิตของเราถูกไม่ถูก ร่างกายนั่งนานๆนนก็ชาทุกคนเละช า, านานๆก็หายชามันเป็นปกติคือจิตมันเบาแต่กายมันรู้สึกหนักทุกทีเองมันไม่เคยนั่งแล้วมันหนักอย่างนี้โยมก็เลยเอโยมไปเพ่งอะไรหรือเปล่าคือเวลาจิตไปติดความสุขความสงบอยู่นะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยจะถูกขยายความรับรู้ให้มากขึ้นอย่างเสียงนะเสียงเบาๆก็จะได้ยินดังขึ้นนะความเจ็บปวดเนี่ยบางทีถ้ามันไปขยายนะมันมันมากกว่าความจริงอีกนะ สุดสำคัญเนี่ยสังเกตที่จิตดีกว่าจิตเราฟุ้งซ่านเก่งดูออกไหมค่ะชั่วค่าหลังๆนี่โยมเหมือนคนปฏิบัติไม่เป็นเลยหลวงพ่อจิตต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับอะไรก็อยู่ซะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดไปเลยนะไม่ทำในรูปแบบเนี้ยนานๆจิตจะตกไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วฟุง้ง ดูเหมือนปฏิบัติอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงโยมทำในรูปแบบทุกวันค่ะเจ้าคนะ่ะแต่นี้ลองทำให้ดูซิเนี่ยอัดแรงรู้สึกไหมไปกดมันอ๋อเจ้าค่ะนะทำผิดหรอเอาใหม่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเอาอีกแล้วกดอีกแล้วมันตื่นเต้นมัน <laughs> จะไปบีบเข้าไปเรื่อยๆไปทำในรูปแบบนะแต่ไม่ไปบังคับมัน นะให้เห็นกายหเห็นใจมาทำงานไปเรื่อยๆนะจ้่ค่ะอ่ะต่อไปกบคืกอการกราบ น, นมัสการหลวงพ่อช้าค่ะวันนี้จะขอความเมตตาให้โอกาส ก, กับลูกชายนะคะไหนลูกชาย อ, อ, อายุกี่ปี13ค่ะ อ, อ๋อใช้ได้ละเมื่อเมื่อหลายปีก่อน เอาซีดีหลวงพ่อให้ฟังแล้วฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่ว่าฟังจากหลังจากนั้นไม่นานนี้ก็เห็นตัวเองแขนไม่มีแล้วก็เคยพามาให้หลวงพ่อดูลุงพ่อบอกว่าเคยทํามาก่อนก็ให้เขาทําไปเองไม่ต้องพูดอะไรแต่มีปัญหาก็คือว่าตอนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องเรียนหนังสือนี้คอนเซนเทรตไม่ได้นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเวลาใครเรียกอะไรต้องเรียกหลายๆครั้งถึงจะรู้สึกตัวใจมันไปหลบอยู่ข้างในสิแล้วก็ ใครพูดอะไรยิ่งเรียนหนังสือพูดมาแล้วก็ลืมหมดเลยนะคะให้ให้ทำความรู้สึกกลับมาที่ร่างกายมากขึ้นนะในใจมันไปหลบไปติดอยู่เป็นหลายปีนะคะไม่ทราบจะแก้ยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยช่วงนี้ค่ะมันแก้ยากเพราะว่าฝึกแบบนี้มาคือหนนี้สงบใช่ไหมคะนีไปหาความสงบไปอยู่ในโลกของความสงบไปอยู่ในโลกของตัวเองข้างใน วิธีการก็คือพยายามกลับมาที่ร่างกายให้เยอะๆคือปกติเขาจะเวลาคอนเซนเทรตเวลาคิดหรืออะไรต้องทําเลขเขาก็จะหาปากกาหรืออะไรแล้วหมุนตลอดในมือบอกเขาบอกว่าไม่อย่างงั้นเขาจะใช่อยู่กับตัวไม่ได้ต้องต้องดึงออกมาชอบเอาอะไรเหวียงเวียงจับมือเหวียงเวียงตลอดต้องอาศัยร่างกายอ๋ออาศัยร่างกายดึงให้ใจเคลื่อนออกมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้การภาวนาเนี่ยเราไม่หนีโลกนะถ้าภาวนาแล้วหลบ ไปอยู่โลกภายในตลอดไปนี่ไม่ดีเลยนะคือรู้สึกเขาเบื่อเราไม่ค่อยเวลาเจอคนอะไรคล้ายๆว่าค่ะแล้วตอนนี้เขามาเล่าว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยบางทีนั่งเรียนในห้องพยายามจะเพ่งความสนใจไปที่ครูคนสอนแต่ว่ามีปัญหาก็คือว่าอย่างเช่นคนอยู่ไกลๆในมุมห้องเพื่อนๆเนี่ยแค่เคาะนิ้วกับโต๊ะหนังสือหรือว่าได้ยินเสียงในการ เขาจะทนไม่ได้เลยคือจิตที่ติดสงบอยู่ข้างในเนี่ยที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้พอออกมากระทบอารมณ์ข้างนอกนั้นมันจะแรงกว่าความเป็นจริงนะอเสียงนิดเดียวก็รู้สึกว่าดังมาก ค, ความรู้สึกนิดเดียวก็รู้สึกรุนแรงมากคล้ายๆคนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในห้องปลอดเชือ้อออกมากระทบเชื้อโลกเบสิกนี้ก็แย่แล้วเพราะฉนั้นต้องพยายามออกมานะ่ทราบจะมีกรรมฐานอะไรที่จะเหมาะกับกายที่ยมรู้สึกร่างกายให้มากเลย จะมีวิธีอะไรบ้างคะสมมติว่าอยู่ในห้องเรียนขยับนิ้วต้องกระตุกกระดิกต้องกระตุกกระดิกไว้ให้ใจมันอยู่อย่าให้ใจมันเข้าข้างในในในชีวิตประจําวันจะทําอะไรได้บ้างต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอย่าให้นั่งนิ่งออต้องกระตุกกระดิกไว้หางานบ้านให้ทําเอาไม้กวาดให้อ่านนะกวาดไปเรื่อยๆปกติจะสวดมนต์ก่อนนอนหลุดออกมาละเพราะกลัวจะกวาดบ้านไม่อยากทําเชื่จิตที่ดีคือจิตตรงนี้นะ จิตที่คืออย่าอยากลับเข้าไปเนี่ยเริ่มเริ่มม้วนตัวกลับเข้าไปละนะออกมาอยู่ข้างนอกนี้เอออยู่ตรงนี้นะตรงนี้คือจุดที่ถูกนะอยู่ตรงนี้เนี่ยเริ่มกลับเข้าไปอีกแล้วรู้สึกไหมไปเพ่งพอเพ่งนะก็จิตก็วกกลับเข้าข้างในออกมาอยู่ข้างนอกนะนี่ค่ะมันเป็นปัญหาเขาเคยถามปัญหาพวกนี้ว่าทําไมถ้าเราปฏิบัติเราไม่จําเป็นจะต้องเรียนหนังสือก็ได้ ก็เลยบอกว่าเรามีหน้าที่ต้องเรียนอยู่ใช่มีหน้าที่ต้องเรียนควรจะเรียนด้วยนะเป็นด็อกเตอร์ได้ยิ่งดีมิฉนเขาจะชอบว่าศาสนาพุ้นเหมาะก่าคนโง่สรุปว่ายังไปในทางที่ถูกต้องได้นะคะได้ต้องปรับไม่ติดแรงเท่าที่คิดหรอกอเขาติดแรงตอนที่ตั้งใจปฏิบัติน่ะอค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ถูกหลวงพ่อใหญ่ๆเขาก็หลุดออกมาอปกติจะสวดมนต์ก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ทําอะไรมากออกมาเรื่ออกมาออกมา Oh. รู้สึกไหมมันออกมาไม่หมดเออใจต้องคลายออกนะใจต้องคลายนะใจคลายใจเปิดออกอย่าไปมว้วนไปเก็บไปข้างในนะเนี่ยเ น, น, นเริ่มเข้าอีกแล้วนะอย่าไปจับที่ลมนะไปจับลมแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ข้างในเลยนะ oh. ยามรู้สึกร่างกายไปเคลื่อนไหวไปหางานบ้านให้ทำอ๋อค่ะได้คะ่ะอันนี้ไม่ไม่ยาก เนี่ยพอให้ทํางานบ้านนี่จิตหลุดออกมาทุกครั้งเลยอะต่อไปครับนมัตการค่ะหลวงพ่อที่ผ่านมาสองอาทิตย์นี้มีความเห็นความทุกข์ที่อยู่ตรงกลางอกอย่างมากแล้วจนบางทีมันแสบแล้วก็รู้สึกขยําเวลาทุกคราวที่อยากนะทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจะเกิดการขยํำขยําขยี้ใจ เหมือนตรงนี้มันจะผลิตกิเลสขึ้นมาใ<ช>แล้วก็มีจิตไปชกใช่ตลอดอกุศลก็เกิดตรงนี้น ะ, <ฮ>ะอ่ะกุศลก็เกิดที่นี่มรรคก็เกิดตรงนี้มรรคผลค่ะขอขอเรียนถามหลวงพ่อว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเองมีความโกรธแล้วมีโทสะมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้ยินโทสะสิ่งที่ทำให้เกิดโทสะซ้ำๆ ส, สองสาครั้งจนครั้งสุดท้าย เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะโกรธที่สุดตอนนั้นใจคิดอย่างนั้นแต่จิตวิ่งโย่องแย่งหนีไปเลยะค่ะคือเห็นนะเห็นจิตว <c ười> ิ่งหนีไปเลยหนีหนีห น, หนีพอความรู้สึกเราขึ้นมานะคะแล้วจิตหนีไปเลยค่ะแล้วคนที่เล่าเรื่องที่ทําให้เราโกรธเนี่ยแต่เราสามารถพูดกับเขาได้คือตอนนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราจิตเราหายไปเลยเนี่ยแล้วตัวเราที่พูดอยู่คือคืออะไรคร่ะจริงๆมันจิตมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะแต่จิตมันไม่เข้าไปตะครุบไปตัวนี้ งั้นเวลาภาวนาเนี่ยถ้าจิตเข้าไปจับอารมณ์ให้รู้ทันนะจิตแยกออกมาก็รู้ทันนะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกถ้าหายไปมันอยู่ไม่ได้มันเหมือนมันหนีทุกข์แล้วรู้สึกว่าตัวเองทุกอย่างที่ทำคือเกิดจากการที่หนีทุกข์ตอลอดเวลาให้รู้ทันนะั่นแหละดีแล้วค่ะนะแล้ว เ, ออเรื่องสุดท้ายคืออย่างตอนนี้คือดูการเกิดดับไม่แน่ใจว่า เป็นไปได้หรือเปล่าอย่างเมื่อวานนั่งสมาธิได้ยินเสียงแต่สิ่งที่เห็นคือจิตวิ่งไปรับแล้วหายไปจิตจิตที่ได้ยินหายแล้วอันนั้นคือเราเห็นกันใช่อนั่นแหละจิตมันเกิดแล้วมันดับให้ดูน ะ, ะจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับไปเกนะิดจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าเมื่อกี้มีจิตแบบนั้นค่ ะ, คะงั้นเรื่องเรื่องสุดท้ายคือขอกลาบขอกันบ้านค่ ะ, คะ ปกติจิตจริงจังแบบนี้ไหมหรือว่าตอนนี้ตื่นเต้นเลยตอนนี้ก็ตื่นเต้นแต่ปกติก็จริงจังเหมือนกันนะคะอย่าจริงจังนักนะคเพราวานาถ้าจริงจังมากมันจะเครียดไปการที่เราสามารถเห็นสภาวะผุดขึ้นกลางอกได้เนี่ยดีมากแล้วะแต่ถ้าเห็นตรงนี้เรื่อยไปมันจะทุกข์นะจะเห็นแล้วจะลงตัวตัวทุกข์อย่างรุนแรงเลยงั้นเวลาที่ทนไม่ไหวก็ทําความสงบมามาสวดมนต์มาไหว้พระ หยุดการดูตัวนี้ไปชั่วคราวนะทําความสงบก่อนทําสมถะพอจิตใจมีเรื่องมีแรงก็มาเห็นมันทํางานต่ออีกนะ <คะ S 1> เห็นได้ตัวเนี้ดีมากเลยกลาบขอบพระคุณค่ะเห็นไหมว่ามันเป็นที่เกิดของกุศลอกุศลตลอ ด, ดเวลาเลย<ช>ค่ะในี่พวกที่เรียนอภิธรรมน ะ, ะเขารู้จักคําว่าหาทยะหาทยะเนี่ยมันเป็นที่เกิดของนมามธรรมจำํานวนมากคืออยู่ตรงเนี้ย แต่เขาไม่ไม่เคยเห็นสภาวะจริงนะเขาเลยนึกว่าหัตยาแปลว่าหัวใจเลยคิดว่ามันอยู่ที่หัวใจความรู้สึกเกิดที่หัวใจไม่ได้เกิดหรอกอมันเกิดขึ้นกลางอกนี่เลยคระขอบพระคุณค่ะหลกตามหาบัวําแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรเป็นทำแท้บ้างอกุศลนี่ทำแท้นะปีนของจริงกุศลเป็นทำแท้มรรคผลเป็นทำแท้เกิดขึ้นกลางอ ก, อ น, งอกนี่เนะ อ, อง การนมัสการหลวงพ่อนะคะ เ, เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาก็พักใหญ่แล้วมีเพื่อนรักซึ่งวันนี้พามาด้วยเนี่ยเขาก็แนะนำหาซีดีมาให้ฟังตอนนั้นมีความทุกข์แล้วก็ฟังไปฟังไปปฏิบัติไม่เป็นนะคะแต่ฟังทุกวันแล้วก็จำได้เมี่วันหนึ่งเดินออกจากที่ทำงานทุกข์มากออกมาดึกโกรธเขาถูกดึงไว้ทำงานดึโกรธคิดคิดคิดคิ ด, ค ด, คด แล้วก็อยู่ๆเนี่ยสติมันก็เกิดขึ้นมาเองยังจําวันนั้นได้ติตาก็คงจะไม่มีวันลืมฟังซีดีไปเรื่อยๆนะค่ะคนคะที่ฟังซีดีไปแล้วก็สติเกิดสมาธิเกิดอะไรนี้เยอะแยะเลยคือฟังเทศแล้วก็ฟังซีดีของที่อื่นทั้งทุกาศาสนาฟังมานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเห็นแสงสว่างแต่ไม่รู้จะไปได้ยังไง แต่ฟังของหลวงพ่อเนี่ยเห็นทางเริ่มปฏิบัติเห็นความแตกต่างทุกน้อยลงแต่ว่าก็เหมือนคุณน้องที่เพิ่งพูดนะคะคือปฏิบัติมาแล้วก็พอพอเจอทุกหนักสู้ไม่ไหวชกไม่ไหวเนี่ยก็ป้อแป้ไปก็ไม่ได้ปฏิบัติป้อแป้ไปไม่เป็นไรมีแรงเมื่อไหร่ก็สู้อีกค่ะค่ะเราอากจกชิงแชมป์นะ เหมือนนักบวยชิงแชมป์โลกอ่ะก็ไปชกคู่โชคเก่งเกินไปเราจะสู้ไม่ไหวหนักหนักหน่อยแล้วตอนนี้ก็ห่วงลูกเหมือนกับคุณน้องนี่เหมือนกันทุกฝฟังดูนี่คือทุกคนความทุกข์ขององค์ใครๆกันห่วงลูกแล้วก็อยากจะแนะนําให้เขามาเข้าถึงศาสนานะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองก็ตอนนี้ยังป้อแป้อยู่เราเปลี่ยนเรเปลี่ยนตัวเองให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นแล้วก็เปิดซีดีหลวงพ่อให้เขาได้ยินไม่ต้องบังคับ เดี๋ยวเป็นเองอะเด็กนะฟังซีดีหลวงพ่อแป๊บเดียวพอนาเป็นฟังภาษาไทยไม่ออกอ้าวเหรอเวนกรรมแล้วเขาใช้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษแล้วภอังกฤษยังไม่ได้ทำให้ไม่ได้คือมีนัสื่อภาษาอังกฤษมีบ้างนะตอนนี้กำลังทําพวกตัววิ่งภาษาจีนน่ะนี่เพื่อก็นั่งคุยกับเพื่อนก่อนเข้ามาฟังหลวงพ่อเนี่ยนะคะก็ เพื่อนรักคนนี้ก็ออกไอเดียให้ว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ให้เขาช่วยแปลไหมก็คือเป็นการว่าเออขอความช่วยเหลือนะขอแปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศสได้ไห ม, มเขาก็จะได้อ่านจะได้ซึบซึมสาบเข้าไปเองอย่างนั้นคือไม่ได้ไปบังคับให้มาเรียนอย่าไปบังคับค่ะบังคับเราไม่สำเร็จไม่สำเร็ จ, ร จ, รจหรอกโดนต้านก็เท่านี้แล้ค่ะแต่จะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะกับนาวัชการค่ะ การปฏิบัติก็ในความรู้สึกว่ามันรุ่มรุ่ ม, มดอนๆอนกบางครั้งก็จะดีบางครั้งก็จะจ ะ, จะฟุ้งซ่านเราถ้าอยาก<ต>พาวาให้ดีนะระวังทิฏฐิให้หมดไปความคิดความเห็นความเชื่อทั้งหลายน ะ, ะทิ้งไปแล้วอยู่กับปัจจุบันสภาวธรรมใดปรากฏในปัจจุบันสภาวะนะั้นแหละสอนธรรมะเรา นะรู้ไปสบายๆน ะ, ะอย่าถ้าเราเกล็งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่เห็นของจริงใจต้องเป็นใจที่ธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลย ค, คนทั่วๆไปหรือเด็กเด็กๆนักปฏิบัติเนี่ยกลับข้างกันเด็กๆเนี่ยมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอันนี้ดีที่สุดแต่เด็กไม่มีสติพวกเรานักปฏิบัตินมีสติ แต่เราไปดัดแปลงจิตใจจนไม่เป็นธรรมชาติธรรมดามันเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงไปนะงั้นต้องถือหลักนะร้ายก็ได้แต่ไม่ผิดศีลเท่านั้นแหละร้รายก็รู้อะไรเอาปล่อยให้มันทำงานนะกล้าๆหน่อยก็อาจจะจริงๆมันก็บางครั้งมันก็นิ่งมากแต่บางครั้งมันก็ฟุ้ง เราก็เราก็รู้มันตลอดนะฮะแต่ไม่ทราบว่าให้รู้ทันอย่างนี้เนี่างมันสงบขึ้นมาใจพอใจให้รู้มันฟุ้งขึ้นมาไม่พอใจให้รู้ะให้รู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจค่ะแล้วก็อย่าจงใจนะค่ะต้องไม่จงใจก็ก็พอรู้ตัวก็จะปล่อยขณะนี้รู้สึกตัวไหมขณะนี้รู้สึกค่ะไม่รู้สึกขณะนี้บังคับตัวเองอยู่นะ ก็อาจจะเป็นได้เป็นแน่นอนเลยท่านแต่อันที่อยากจะถามท่านก็คือว่าถ้าปกติใจที่ดีใจอย่างเนี้ยแต่อันนี้ยังมีการเกรงอยู่นิดนึงนะอย่างเนี้ยดีกว่าตะกี้สังเกตไหมจิตตรงเนี้ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อกี้มันใจนิ่งๆออย่างนั้นใช้ไม่ได้นะแค่ปล่อยให้มันทํางานแล้วก็เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยไหลไปแล้วรู้สึกไหย แล้วก็ความอยากความอยากพูดมันเกิดความอยากมันดันขึ้นมากลางหน้าอกไหลไปคิดความอยากก็ดันขึ้นมาคถ้ารู้ไปจิตไหลไปคิดก็ไหลได้เองตัณหาเกิดก็เกิดได้เองเนี่ยดูอย่างนี้นะให้ดูไปให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันแสดงตัวของมันได้เองไปดูประเด็นอนัตตาไว้ดูมุมนี้เรื่อยๆมุมอื่นเอาไม่ลงหรอก แต่ตอนนี้เนี่ยที่ที่อยากจะเรียนถามท่านก็คือพอจิตมันรู้ว่าตอนนี้ปรุงแต่งหรือว่าคือรู้ช้าเนี่ยมันจะมีตัวพุโทโธขึ้นมาเตือนนะเหมือนกับพุโทโธมาตัดไอ้ความปรุงแต่งความฟุ้งคือถ้ามันหลงนานนะพุโทโธก็ยังดีกว่าหลงยาวคือถ้าพุโทโธมาตัดนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะได้สมถะค่ะนะคลยๆสมถะเข้ามา สมถะแทรกเข้ามาเวลาที่เดินวิปัสสนาเนี่ยไม่มีใครทําวิปัสสนารวดจิตจะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงช่วงไปเราควรจะแก้ไขยังไงแก้ไม่ได้ก็ให้รู้ไปว่าตอนนี้มีพุทโธเข้ามาใช่ก็คือจิตมันพลิกจากวิปัสสนาเป็นสมถะก็รู้ไปมันเป็นมหากุศลจิตยานสัมปยุตกับยานวิปยุต แต่ในตําราจะถือว่าทําสมถาก็มียานสัมปยุทธ์เหมือนกันแต่ในขั้นวิปัสนาเนี่ยนะถ้าจิตพลิกไปสมถาถือว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วคือไม่มียานในระดับวิปัสนาถ้าเป็นหลวงพ่อมองก็จะเป็นยานวิปยุทธ์ไปเลยเขาจะเกิดขึ้นมาเร็ว่เขาเกิดเร็วแล้วเขาเกิดเองจะเป็นมหากรุสุจิตญานสัมปยุทธ์อสังขาริกังก็ได้มหากรุสุจิตญานวิปยุทธ อาังขาริกังก็ได้ยังไงก็ต้องอาศังขาริกังถ้าสัสังขาริกังเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาหรอกถ้าอย่างนั้นถ้าเขาเกิดเข้ามาเราก็เพียงแต่รู้เขาเท่านั้นรู้สิเขาเกิดได้เองเห็นไหมเขาสอนธรรมะเราแล้วนะะเขาสอนแล้วอ๋อค่ะครั้งแรกคิดว่าเอ๊ะทำยังไงไม่ให้เกิดทำไม่ได้ถ้าทําได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาทําไม่ได้ในดีแล้วแต่เขาสอนธรรมะเราแล้วเห็นไหมเขาสอนให้เห็นว่า เราบังคับเขาไม่ได้เขาเข้ามาสอนเราสอนแล้วสอนเรียบร้อยแล้วะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้จากเขาใช่นี่เราเลือกเดี๋ยวเขาก็ดับไปเราเลือกเห็นไหมเราจะเอาอย่างนี้เราจะไม่เอาอย่างนี้เนี่ยตรงที่จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างเนี้ยตัวนี้คือตันหาละเท่ากับตันหาเข้ามาแข่งกับเราใช่ตันหามื่เข้ามาครอบแล้วค่ะถ้านั้นเราก็เขาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เราก็ดูไปอะไรเข้ามาก็สอนธรรมะ เขอให้มีสติมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูได้ทุกอย่างสอนธรรมะหมดอนะ่ะะอต่อไปก็คุณค่ะการนับรการค่ะเครียดไหมรอนานไม่เครียดค่ะลูกประก า, ข า, กาบขอรับการบ้านค่ะเอาย่อๆนะอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรลูกปราศคอรับการบ้านค่ะคอรับการบ้านเหรอมีหน้าหลายย่อเลยแ <laughs> <laughs> ล้วกำลังรอฟังว่าแต่ละคนนั <don> ส่ง <don> บ้านยาว ใจต้องเป็นธรรมดาใจเป็นธรรมชาตนะิปล่อยให้ใจทํางานอย่างที่ใจเป็นเราไม่ประคองไม่รักษาให้นิ่งนะเพราะฉะนั้นใจนี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็สอนธรรมะเราว่าไม่เที่ยงทุกข์ก็สอนธรรมะว่าไม่เที่ยงดีชั่วก็สอนว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะเราไม่ประคองใจให้นิ่งนะปล่อยให้มันทํางานแล้วไม่มีสติตามรู้ไป แต่ถ้ามันฟุ้งสั้นมากเราก็ทำความสงบเป็นช่วงๆจะพุโทโธพุโทโธอะไรไปก็ทำหรือสวดมนต์สั้นๆบทที่เราชอบใจสวดแล้วสวดอีกยเงี้ยใจก็สงบพอใจสงบแล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้มันทำงานแล้วคราวนี้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วตามรู้มันไปนะรับขอบคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ ะ, คะยังตื่นเต้นที่ส่งการผาหลวงพ่อ ใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นคือก็รู้ตัวมากขึ้นนะคะมีสติหลงหลงก็หลงไม่เนี่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยใจเราไม่เหมือนเดิมเจ้าค่ะสังเกตไหมว่าโลกนี้ห่างออกไปเห็นไหมโลกมันห่างออกไปเจ้าค่ะสังเกตไหมมันเบาเจ้าค่ะนะสังเกตไหมกายกับใจเป็นโคนละนั้นเริ่มเริ่มเริ่มรู้เห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเป็นโคนละนั้นเจ้าค่ะเห็นไหมว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้ เจ้าค่ะเห็นไหมไม่มีอะไรคงที่เจจบแล้วอ่ะส่งเดี๋ยวถามหน่อยกราบขอการว่าหลวงพ่อด้วยค่ะนี่ไงให้ไปดูไปดูอย่างนี้แหละแล้วจิตถึงฐานหรือยังเจ้าค่ะตอนนี้ไม่ถึงตอนนี้จิตถึงหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะวรสการหลวงพ่อนะคะก็เป็นครั้งแรกที่มาส่งแป๊บหนึ่งนะค่ะเห็นไหมว่าจิตเราหนีไป จิตมันหนีไปรู้ว่าหนีมันจะเข้าฐานเองอย่าจงใจให้เข้าฐานถ้าจงใจให้เข้าฐานจะแข็งไปจงใจให้เข้าฐานอีกแข็งนะปล่อยให้มันหนีเรารู้เอาถามทาไมหลวงพ่อรู้ต้องใช้อิทธิปฏิหารไหมไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้แล้วนะเขาตึกหน้าตาคนมันเปลี่ยนนะบางคนเห็นหน้ากันบ่อยๆนะมาวัดบ่อยๆเลยพอพอนาเป็นขึ้นมานะ คนนี้เคยเห็นที่ไหนนะครับคล้ายคราคลาอย่างนี้เลยนะจะว่าคนเก่าก็ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนมันดูง่ายหรอกเอาว่ามาค่ะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทางซีดีมาประมาณ4ปีค่ะ mm hmm. แล้วก็เพิ่งมาแบบปฏิบัติจริงจงมาฟังจริงจงช่วงสองสองสปีหลังนะคะแล้วก็ คือช่วงนี้รู้สึกว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้อะคะ่ะคือจะเน้นสวดมนต์แทนแล้วก็คือเวลาสวดมนต์ก็จะพยายามรู้ว่าจิตโฟกัสอยู่กับบทสวดมนต์หรือว่าบางทีถ้าจิตหนีไปก็จะพยายามรู้อะคะ่ะฉลาดนั่นละนะเพราะนั่งเมืม่อเมื่อคือลองพยายามนั่งนะคะแล้วพทำถูกแล้วละ่ะค่ะก็ก็หลับหัวหลวงพ่อก็เหมือนสวดมนต์ไปแล้วใจเราหนีไปก็รู้นะ ใจเราอยู่ก็รู้ใจหนีก็รู้ก็สวดไปเรื่อยๆเรา<ะ>ก็จะเห็นนะเดินปัญญาได้ด้วยนะตรงเนี้ยเห็นไหมใจหนีก็หนีได้เองใจจะอยู่สั่งให้อยู่ก็ไม่ยอมอยู่เนี่ยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นะเดินปัญญาไปเลยไม่ต้องไปกลัวมัน<ะ>นะคือมีปีที่แล้วค่ะหลวงพ่อเนื ประมาณว่าเป็นช่วงที่อาจจะทำสมาธิเยอะค่ะแล้วก็เห็นสภาวะบางอย่างคือไม่ได้ตั้งใจเห็นนะคะคือหนูเดินไปเข้าห้องน้าพีออฟฟิศแล้วก็เหมือนแบบเห็นมือเป็นแบบเป็นท่อนๆเป็นแช่ใช่ไม่ใช่เราหรอนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วเห็นครั้งแรกก็ตกใจแล้วต่อไปไม่ตกใจดอกนะแต่ถ้าจงใจอยากเห็นอีกจะไม่เห็นนะแต่ถ้าเราไม่ได้เจตนาจะเห็นมันถึงจะเห็นแต่ตอนนี้คือ คือหนูคิดว่าพอแบบทำสมาธิไปสักช่วงหนึ่งคือคิดคิดเองนะคะหลวงพ่อว่ามันอาจจะเป็นอาการของสมาธิอ๋อไม่ไม่ไม่จำเป็นอ่ะอย่างถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยโค่นล้านอยู่ตลอดในร่างกายไม่ใช่เราเลยจะเห็นซาบซึ้งเลยนะเห็นตลอดเวลาเลยแต่พอตอนนี้มันแบบพอเห็นไปสักพักนึงมันเฉยเฉยแล้วอ่ะหลวงพ่อหนูก็เลยไมอยากเห็นแล้ว เลยไม่ค่อยอยากเห็นแล้วเพราะว่าเห็นเรารู้สึกไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะไปยังไงต่อกลัวไหมเวลาเห็นครั้งแรกๆกลัวค่ะเพราะหลังๆเฉยเยค่ะเห็นบ่อยๆก็ชินนะเขาสอนธรรมะเรานะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเขาสอนเราอยู่แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆก็รู้ทันใจด้วยนะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้อย่างที่มันเป็นไม่แทรกแซง หรือปัญญาก็เกิดเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราต่อไปเห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มีถ้าวันใดที่จิตยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีก็เข้าถึงธรรมะตอนนี้ก็เรียกว่ามาได้เยอะแล้วเริ่มเห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เราใช้ได้เพราะมีการบ้านอะไรให้หนูไหมคะไปฝึกต่อสิพวกเราเปลี่ยนไปเยอะนะทุกวันนี้คนที่ภาวนานะ เดิมจะเป็นพวกเพ่งจ้องเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจ้องแล้วค่อยคลายออกเห็นธาตุเห็นขันมันทำงานอย่างนี้ใช้ได้น ะ, ะต่อไปกราบนมัสกา ร, นรคนไทยเหรอห <c oughs> ลวงพ่อนึกว่าเกาหลีตัวนี้มีเกาหลีมาเรียนก่อนนะห <c oughs> น้าตาแบบนี้เลยค <c oughs> รบับกราบนะมัสการหลวงพ่อครับก็เป็นแปดปีที่เพิ่งจะได้ถามยังเป็นทางการครับ อ, อยากจะสอบถามเรื่องจิตตกพวังนะครับ คือผมปฏิบัติด้วยวิธีการขยับมือแต่ว่ามันเป็นฟิวชั่นนิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีบริกรรมด้วยเนื่องจากว่าจิตค่อนข้างจะหลุดไปคิดง่ายครับคราวนี้พอตอนที่ขยับมือแล้วก็มีบริกรรมเนี่ยจะเห็นร่างกายเนี่ยมันสับประงกครับคือมันโงกไปเงกมาแต่ว่าก็กําหนดรู้ไว้ตลอดนะครับแล้วตอนที่มันรู้ปุ๊บเนี่ยมันเป้งขึ้นมาครับ แต่ว่ามันอะไรนะมันมันมันปั้งขึ้นมาเลยครับมันเหมือนแผ่นกระดานที่ตกลงไปในน้ำครับอมแล้วมันก็รู้สึกตัวแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ทําสมาธิต่อไม่ได้มันต้องแก้อย่างไรล่ะครับเอ๊ที่ทํานะมันเป็นอาการของสมถะนะอาการของสมถะใจมันน้อมไปสงบลงมาโดยไม่เจตนาแล้วก็เป็นพยายามเพิ่มสติขึ้นครับนะแต่ผมก็ใส่สติไว้ตลอดนะฮะมันไม่ทันแล่ะครับฮะ มันสติมันไม่ทันใช่ไหมครับไม่ทันสมาธิมันล้าสติจิตมันเลยตกลงไปเ อ, อแล้วมันมีวิธีตามดูยังไงไหมครับฝึกสติสิฝึกสติให้เร็วขึ้นลองขยับให้หลวงพ่อดูสิสังเกตไหมว่าเราดัดแปลงจิตตรงเนี้ผิดตั้งแต่ตรงนี้นะลองขยับแบบไม่ดัดแปลงจิตสิใช้จิตอย่างยิ้มก่อนยิ้มมันหวานอย่างนี้ยิ้มแบบแพ้งแล้งไป <c oughs> เนี่ยใช้จิตอย่างขนาดเนี้ยนะแล้วขยับไปด้วยจิตแบบนี้เลยครัเอาลองดูแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้เอาครับขยับไปเนี่ยแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้เอาอย่าไปล็อกไปอย่างนั้นล็อกไป่งั้นตกระวังครับซึ่งทําได้ใช่ไหมครับเอขยับมือด้วยแล้วก็บริกรรมไปด้วยได้ได้ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าตัวสําคัญคือรู้ทันจิตครับไม่ใช่ทําให้นิ่งนี่เรากลัวความฟุ้งซ่านมากไป พอเรากลัวความฟุ้งซ่านนะเราก็มีเชือกหลายเส้นมามัดอันเชือกเส้นที่1คือการเคลื่อนไหวมือเชือกเส้นที่2คือคําบริกรรมเพื่อจะมัดไม่ให้มันกระดุกกระดิกพอมันถูกมัดมากๆมันซึมเหมืนตกผวัานะลองปรับนิดหนึ่งเคลื่อนไหวไปแล้วถ้าใจหนีไปคิดให้รู้ทันเคลื่อนไหวนะแล้วใจหนีไปคิดเรารู้ทันฝึกตัวนี้ให้ได้ต้องใช้บริกรรมต่อไหมครับบริกรรมหรือไม่บริกรรมไม่สําคัญหรอกรสําคัญที่รู้ที่ใจนะลองทำให้หลวงพ่อดูอีกทีสิว่า ผิดแล้วรู้สึกไหมผิดที่ไหนก็ตอนที่กำลังจะตั้งใจทำผิดที่ใจนะตัวนั้นเป็นจิตที่มีโลภะเพราะงั้นถัดจากเนี้ยการกระทำทั้งหลายนะมันจะมีโลภะแทรกอยู่ตลอดเลยอันนะี้โลภะเป็นกิเลสกิเลสเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมแต่มันเป็นปัจจัยชนิดที่เรียกว่าสหชาติปัจจัยเกิดด้วยกันเลยนะครับ เพ้ในขณะที่เรามีความโลภอยากปฏิบัติแล้วเราลงมือปฏิบัติในตลอดสายของการปฏิบัตินั้นโลภยังอยู่นะเพราะงั้นการปฏิบัตินี้ใจมันจะน้อมไปหามิจฉาสมาธิสมาธิที่ติดในโลภะน่าจะซึมรู้สึกไหมว่าใจตอนนี้ซึมแล้วเนี่ยต้องแก่ติดสมถนะต่อไปนี้ขยับตอนจะขยับอย่าขยับใจ ใจตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ขยับ <ocal ip, S 1> แล้วถ้าใจหนีไปหืบหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจหนีไปคิดให้ใจหนีไปคิดนะดีกว่ากลัวใจจะหนีไปคิดแล้วบังคับมันเอาไว้ใจหนีไปคิดแล้วถ้ารู้ทันได้ปัญญากลัวใจจะหนีไปคิดแล้วจ้องเอาไว้ได้ความสงบอย่างเดียวใจหนีไปคิดแล้วไม่มีสติรู้ทันได้ความฟุ้งซ่านเพราะฉั้นตรงที่ใจหนีไปคิดเนี่ยเป็นจุดที่ร่อแหลม จะได้ค่าบวกก็ได้ได้ค่าลบก็ได้แต่ตรงที่ห้ามใจไม่ให้ไปคิดนะติดลบแน่นอนครับอย่าไปห้ามมันครับต้องกลา้ากล้านะครับอกทำมิปัสสนานี่มันเหมือนเราเดินข้ามสะพานสะพานที่เป็นไม้แผ่นเดียวอะหรือไม้กระบอกคือเห็นไหมเป็นสะพานไม้ไผ่ครับไม้กระบอกพาดอันหนึง่งไว้จับอันหนึง่งถ้าคนกลัวตกน้ำกลัวจะตกน้าไม่จับ ไว้แน่นเลมือไม่ปล่อยขาจะเดินแต่มือไม่ปล่อยมันไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวว่าจิตจะหนีไปเราจ้องบังคับไม่ตลอดมันไม่เดินปัญญาหรอกต้องกล้าๆ้าหน่อยกล้ากล้าเลยนะขอบคุณครับสุดท้ายนี้ก็ไม่ดีก็ได้แต่ไม่ให้ผิดศีลเท่านั้นแหละได้ไม่ดีเรารู้ว่าไม่ดีนะครับสุดท้ายก็กราบขอลาไปบวชนะครับก็ สิ่งใดๆที่เคยล่วงเกินหลวงพ่อไว้ขอขมาได้ครับแล้วก็<ต>กขอถวายเป็นพุทธบูชากับอาจารย์ย า, <อ>าบูช า, <ส>าครับอย่างนี้ดนะีปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรนะไม่มีทางเลยมันลบเราปฏิบัติถือว่าเราปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าซะนะไม่เอาเข้าตัวถวายท่านเอาออกเราจะภาวนา ง, ง่ายมันเป็นอุบายหรอ แล้วในความเป็นจริงนะพอนาแทบตายเลยไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปบางคนนึกว่าเสียขันไปไม่ยึดขันแล้วเสียขันไปความจริงขันไม่ใช่ของเรามาแต่แรกแล้วเราไปขี้ตัวเองนะที่เราเสียไปนะเสียความเข้าใจผิดที่เราได้มาได้อะไรไม่เห็นจะมีอะไรให้ได้เลยมีแต่ปล่อยวางนะแล้วเข้าถึงความสุขอันแท้จริงจากการที่จิตไม่ยึดถืออะไร เราไม่ได้มุ่งเอาความสุขตัวนี้ถ้าถ้ามุ่งเอาตัวนี้จะไม่ได้ด้วยนะแต่เราเรียนรู้ธาตุขันไปเห็นธาตุเห็นขันเป็นตัวทุกข์ไปเรื่อยนะแล้วมันว่างของมันเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปขันก็ไม่ใช่ของเราอยู่แล้วระวางลงไปสิ่งที่ได้มาคือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เสียไปคือมิจฉาทิฐิแค่นั้นเองเกิดความรู้ถูกเกิดความเข้าใจถูกนะเป็นปัญญาชั้นสูง รู้ถูกเข้าใจถูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับขันนะขันนี่คือตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นขันเป็นตัวทุกข์นะเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดนะในทุกขสัตย์ถ้าเราไม่รู้อริยสัจเรายังเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจจะพ้นจากวัตฏะได้พ้นจากทุกข์ได้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกให้รู้รู้ทุกไว้ มืรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้มันจะวางตัณหาคือความอยากหรือตัวสมุทัยจะไม่เกิดอีกเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหร่สมุทัยจะดับเมื่อนั้นสมุทัยดับเมื่อไหร่นิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นเมื่อ น, นั้นเลยอนะรหรันตมรรคเกิดขึ้นตรงนั้นเลยนะงั้นอยู่ที่ตรงคอยรู้กายรู้ใจไว้ให้มากนะรู้อย่างที่มันเป็นฝึกไปนะ อย่าไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้ซึมนะรอบนี้มีส่งกันบ้านเนี่ยจะมีพวกจิตซึมหลายคนนะต้องค่อยแก้เอาติดสมถะนะพอสมควรก่เวลาในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายทานโดยตั้งจิตเสมือนทุกท่านได้ถวายด้วยตนเองนะคะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าไตรเครื่องปัจจัยทายธรรมสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตราบสิ้นกาลนานเทินพวกเรารับผ่อนนะยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาขังเอวเมวะอโตทินังเปตานาังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโศยะถ า, ามณีโชติรโสยะถา สพีติโยวิวัตชันตุสพโลโควินั ส, สตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจจังอุธาปัจจายิโนจตตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกท่านนะแต่เจ้าภาพพวกเราที่มาฟังธรรม การได้ฟังธรรมเนีในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมจริงๆมีไม่มากนักหรอกนะอาธรรมนั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะแต่ธรรมะมันไม่ค่อยมีนะเราพยายามฟังนะเราเอาไปปฏิบัติให้ได้รักษาศีนหน้าให้ดนะีฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าใจลอยแต่ต้องรู้สึกสบายๆอย่ารู้สึกแบบเครียดเครียดรู้สึกอย่างนั้นผิดนะ วันหนึ่งเราจะได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบือ่อเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือกอคลายความยึดถือจึงหลุดพน้นเวลาที่ใจมันคลายออกมันจะมีความสุขมากเบื้องต้นที่พวกเราหัดภาวนาเนี่ยสิ่งแรกที่มันคลายออกคืออารมณ์เมื่อทีจิตก็ไปจับอารมณ์เราเห็นมันทุกข์เยอะบางทีจิตมันคลายออกจากอารมณ์แล้ว เ, เห็นว่าแม้มันสบาย ต่อไปจิตมันจะคลายขันออกมันจะพลาดออกจากขันมันจะไม่จับขันมันไม่ใช่แค่ไม่จับอารมณ์นะจะไม่จับขันไม่จับรูปนามนี้เลยจะเป็นความอัศจรรย์ในธรรมะซึ่งไม่มีใครที่จะสอนได้นะยกเป็นพระพุทธเจ้านะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าถึงตัวนี้แล้วมาบอกพวกเราให้เดินตามเขียนนะเชิญกลับบ้าน